ได้ในการฟังค่อยทำขอ ง, ของพระภูมิหรพระภาคได้แต่ในครั้งนี้ก็จะมาต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วได้พูดถึงในเรื่องของการสาร้างบารมีของพระโพธิสัตว์โดยเฉพาะเน้นที่พะสิยริยเมตจัยก็พูดในเรื่องของทานบา ร, รมีศีนบา ร, รมีเนธรมมบารมีปัญญาบา ร, รมีวิริยาบา ร, รมี ขังติบรารมีสัจจบรารมีอธิฐานนบรารมีเมตตาบรารมีและอุเบกขาบรารมีจากอัตตาในจริยาปิฎกในปฏินิพพากถาที่ได้นำมากล่าวและสาธยายในครั้งที่แล้วที่ได้พูดในเรื่องของบรารมีทั้งๆในบรรดาพระโพธิศัตว์ทั้งหลายเนี่ย ในขณะที่ท่านอบรมหรือบม่มบารมีจนครบกําหนดเวลาแล้วเนี่ยจึงจะสามารถตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั่นก็คือว่าถ้าท่านผู้ใดเนี่ยถ้ามีศรัทธาอ่อนมีปัญญากล้าเป็นประเภทปัญญากิกะสัมมาสัมพุทธเจ้า<ๆ>ก็มีกําหนดลงเป็นบารมีสี่สงไขแสนตับถ้าหากบุคคลผู้มีปัญญาบางกลางเนี่ยนะ มีศรัทธาก้าประเภทที่เป็นศรัทธาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้กําหนดเวลาในการบําเพ็ญบารมีนั้นเนี่ยแต่สะสมไขแสนกับถ้าผู้มีปัญญาอ่อนคําว่าปัญญาอ่อนแปลว่าปัญญาไม่มากเท่าไหร่มีวิรยิยะก้าเป็นประเภทวิริยาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยกําหนดระยะเวลาในการบำเพ็นบารมีเนี่ย สิบหอาสงไัยแสนครับสรุปแล้วก็คือว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่สามประเภทประเภทปัญญาทิฏกมีสี่อาสงไถ่แสนกับศรัทธาทิฏกมีแปดอาสงไถ่แสนกับถ้าวิริยาทิฏกก็สิบหกอสงไถ่แสนกับถ้าปัญญาทิฏกนี่ก็แปลว่านแปลว่ายิ่งได้ปัญญาศรัทธาทิฏกก็คือยิ่งได้ศรัทธา ถ้าหากว่าวิริยาทิกาก็คือยิ่งด้วยวิริยาก็คือความเทียมเนี่ยเนี่ยทีนี้พระเมตแตยะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าประเภทไหนในบรรดาสามประเภทก็ต้องบอกว่าเป็นประเภทวิริยาทิกาสามมาสัมพุทธเจ้า<ม>ฉะนั้นพระองค์ที่จะมาตัดในข้างหน้าเนี่ยท่านจึงต้องใช้เวลาในการบำเพ็ญบารมีถึงสิบหกอสงไขยแสงกับ จึงจกบริบูรณ์นะฉะนั้นถ้าหากว่าต้องการอยากจะทราบเรื่องราวของพระองค์ในสมัยเมื่อได้รับพุทธภิญกรจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยว่าจะได้จัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนั้นเนี่ยตามประวัติก็ปรากฏอยู่ใน อ, น า, อนาคตทว์ถ้าเล่าไปก็คือว่าเมื่อศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีอายุได้ห่าพันปี ใช่ั้ยคือถ้าพูดถึงเรื่องของอนาคตเนี่ยบอกว่าถ้าศาสนาของพระพุทธเจ้าครบห้า0ันปีก็แปลว่าพุทธศาสนาได้หมดอายุไขปัจจุบันนีร่วมมาแล้วสองพันห้าร้อยเท่าไหร่สองพันห้าร้อยห้าสิปีฉะนั้นก็เหลืออีกสองพันตัปีใช่เหลือเท่าไหร่เหลือสองพันสอห้าสิบปี สองพันสี่ร้อยห้าสิบปีเนี่ยนานในความรู้สึกของเราแต่ถ้าไปเที่ยกายูเทวดาเนี่ยเขายังไม่ทันตายเลยถ้าเทวดาชั้นสูงเช่นอย่างเช่นเทวดาชั้นยาจนวันหนึ่งคืนหนึ่งกับบห้าสิบปีใมนมือมนุษย์อันนี้ชั้นที่ติดกับมนมนุษย์ถ้าชั้นสูงสูงแนละ้วฉะนั้นสองพันกว่าปีเนี่ยเขาอยู่กันได้กี่วันแต่ว่าศาสนาพุทธเข้ามา ฉะนั้นพวกเราถ้าตายไปแล้วเกิดใหม่เนี่ยโอกาสจะพบพุทธศาสนาอีกอย่างมาสกสมมติถ้าไปลงอาบบายไปลงอาบายแล้วระยะหนึ่งหนึ่งหมดสิ้เลยกลับมาอาจจะไม่ทันศาสนาของพุทธเจ้าในอนาคตอีกด้วยถ้าไปเป็นเทวดาก็มีโอกาสถ้ามาเป็นมนุษย์ในชาติหน้าความเป็นไปของบ้านเมืองก็หุ้ว่ พุทธศาสนาก็ไม่ทราบก็จะเจริญรุ่งเรืองอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้โอกาสในการที่เราเจะนับถือพระพุทธศาสนาก็าออยากเพราะอัจฉริยะใสในการสั่งสมเน่ยมันไม่มากพอดังมี ม, มีท่านคนหนึ่งเล่าอี้ฟังมีคนคนหนึ่งเกิดอยู่ในประเทศฝรั่งไม่ใช่ประเทศฝรั่งแต่เป็นประเทศต่างประเทศจำประเท ศ, มเท ศ, มเทศไม่ได้เป็นประเทศเขาเนี่ยไม่มีพระพุทธศาสนาเลย แต่ว่าเด็กคนนี้เวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยใ้ความรู้สึกก็พุทโธพุทโธเนี่ยเขาเขาารักเลยเลยคือความรู้สึกตรงนี้นะต่อมาเขามาศึกษาเขาก็มามาศึกษาที่อเมริกาเขามาศึกษาเร่อด้านศาสนาเพราะเห็นคําว่าพระพุทธศาสนาคือประวัติศาสตร์ศาสนาอะไรกันเขาเขาหูเขาตื่นเป็นมาทั้งในสุลจีนเขาก็ตั้งเป็นสมาพมในการค้นว่าพระพุทธศาสนายังไง ไอ้ในกรณีอย่างนีกแปล ว, ว่ามันจะต้องสั่งสมไว้อย่างดีเลยแต่ถ้าอย่างเราเนี่ยไม่น่าจะถึงใช่ไหหรือบางคนไม่แน่เนี่ยที่เ็าปลูกฝังอัธยาศัยไว้ดีเนี่ยโอกาสถึงเขาก็มีฉะนั้นคำว่าห้าพันปีเนี่ยเหลืออีกสองพันกว่าปีเนี่ยเราโอกาสหน้าเรายากฉนั้นต้องพูดว่ายากเลยเพราะว่า ในยุคต่อไปเนี่ยความเป็นอยู่ของมนุษย์จะลำบากขึ้นแล้วก็ภัยต่างๆไม่ว่าจะภัยเพราะน้ําท่วมภัยภัยเพราะเป็นดินไหวภัยเพราะแห้งแล้งภัยเพรา ะ, ะ, ะาาราชภัยอาชีพภัยภูทกภัยโจรภัยภัยต่างๆเหล่านี้นะมันจะรุมล้อมสัตวโลกมากขึ้นเมื่อภัยต่างๆเหล่านี้มารุมล้อมมากขึ้นเนี่ยมนุษย์ในยุคต่อไปก็เกิด ก็จะมีแต่วความหวาดกลวนโทสะก็จะมากขึ้นใช่เมื่อโลกมันร้อนเมื่อโลกมั น, น, มมนทุกข์เมือ่อสภาพของความเปลี่ยนไปของสภาพของบ้านเมือ ง, งเนี่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนพอดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนเนี่ยมันก็มีผลมีผลต่ออะไรมีผลต่ อ, ต, อต่อต่อร่างกายเมื่อร่างกายเปลีป่ยนแปลงจิตใจก็เปลี่ย โดยมากมนุษย์ในยุคต่อๆไปก็จะเกิดจะอยู่กันด้วยความวา่ววาภาวะภาวาก็คือว่าเ้าบอกว่าเมื่อครบห้า0ันปีแล้วเนี่ยอายุขของมนุษย์ก็จะลดเหลือสิบปีก็จะต้องเกิดเป็นสัต์ขันตะรรกัดก็เกิดโกลาหุนในการลบคือปัจจุบันนี่นะร้อยปีเนี่ยอายุมันจะรดปี ร้อยปีร้อปีร้อยปีร้อปีร้อยปีร้อปีเนี่ยนะถ้าอีกสองพันก็เพียรมนุษย์ก็จะเหลืออายุสิบปีเป็นอายุขัยคือมนุษย์จะอายุสั้นแล้วะประเภทที่ว่าแต่ม่รู้ต้นไม้จะเล็กลงหรือเปล่าไม่แน่ <Okay. S 1> เกิดการลบพุ่งกันฆ่าฟันกันและการต้องขันกันว่าเป็นเนื้อเขาบอกอย่างนี้ก็ยุคมิคาสันอยู นี่ค่าเดเลยวันนี้สันดียสัตว์ป่าต่าง้นต่างก็่วยได้ก้อนบินบ้างท่อนไม้เป็นต้นบ้างสัตว์ราวุธบ้าง ห, หนี่ยข้าหันฆ่าฟันตายกันจนหมดซิทีนี้มันก็จะเหลือแต่มนุษย์ที่หนีเอาตัวรอดก็ไปซุ่มอยู่ตามลำธารบ้างป่าเขาบ้างซอกไม้บ้างครบเจ็ดวันก็จะออกจากที่ซอกมาพบกัน ในส่วนยิงก็มาปรึกษากันก็ก็จะเกิดเมตตากันหรดเลยเนี่ยเขาลบเขาลปุ่งกันนีเรื่องธรรมดาเนะเมื่อลบการฆ่ากันจนว่าหึงจนอเนจตาหนาใจแล้วเนปัญญาเริ่มเกิดเมตตาการรักใคร่กันประพฤติสุจริต ธ, ธรรมทุกๆคนเนี่ยทีนี้พอไปถึงในยุคนั้นน่ะมนุษย์ก็จะลาเว้นจากตาหนาบีบาท ค, คือจะไม่ฆ่ากันแล้ว ละเว้นจากอภินนาทานละเว้นจากการเมียสวิชาจารนุสาวาตดื่มสุราเมรัยเป็นต้นทีนี้ก็จะเริ่มรักษาตัวแต่สังเกตนะว่าในยุคปัจจุบนันเนี่ยตีห้างเขาถอยคนเราก็มีทุกประเภททั้งฆ่าทั้งรักทั้งบกพร่อผิดในการทั้งพูดเท็จทั้งดื่มสุราเมรัยถ้าท่านมีตอนนี้ ม, มากๆในหลายโลกมันเรียบร้อย มันก็นยุ่งวุ่นวายไปมากมากในส่วจริงก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยอยีกบางเห็ุหน้าในการทำร้ายซึ่งกัารละันแล้วก็อายุก็จะลดหลงนั้นในยุคนั้นประเภทที่ว่าอคุศลและคำเนี่ยจเจริญรุ่งเรือง ม, มากแต่ในโลกก็เพียบเลยที่ต่อมาก็คือว่าพอมารักษาสี่ห้ามาเจริญภาวนาปิตาเป็นแคเหล่านี้อายุขของมนุษย์ก็กลับจเจริญ ตอนี้ก็ร้อยปีขึ้นสี่ร้อยปีขึ้นเสียจากสิบปีเป็นยี่สิบแมแล้วตะวีขึ้นเรื่อยๆจะถึงร้อยปีพันปีหมื่นปีจนเป็นอาสองไข่ปีเห็นไว่าในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นขาลงเดี๋ยวต่อไปเวลามันไปถึงสุดเห็นไหมมันเหมือนเศรษฐกิจเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าถ้ามันลงสุดๆแล้วนะมันเหมือนกราฟเขาบอกว่าทำไมแล้วมันไม่จะขึ้น แต่วันนี้สกิดสกิริดีกอย่างมันเมื่อเราพุ่มันมันลาบเลยเขาบอกมันกลายไปมันมันมันมันกลายเป็นตัวตัวตัว L ตัว U ไปแล้วเลยมันมันไม่ขึ้นเลยมันมันยิงไปตักขื้นเรื่อแต่ว่าจริงจริงอายุของมนุษย์มันอย่างเงี้ยพอหลงสุดแล้วเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นไปเลยอันนี้พอพอในยุคขึ้นพอขึ้นสุดๆเนี่ยนะไปจนถึงสองถ่ายปีแล้ว่นับไม่ได้ พอมนุษย์มีอายุถึงาสองขยอยยอัยปีเนี่ยอายุยืนลืมตายอีกแล้วเขาะเนี่ยเงี้ยเลยก็ประมาร์ทเพราะบมาทเนี่ยมันไม่เห็นอ น, นิจจังขาลงมันเห็นแต่ขาขึ้นทุกขาาังอนัจจาอายุขยของมนุษย์จึงิงพอไปถึงยุคนั้นก็ตัดบมาร์ทพอบำมาทก็จะเลดลงไง ฉันั้นจากอาสองไถ่ปีก็ลดลงมาตามลาดับตามลับจนเหลือ 80,000 ปีในช่วงที่อายุของมนุษย์ 80,000 ปีเ น, น, นี่ยก็ว่าฝนจะตกทุก5วัน10วันชมพูเทวิในยุคนั้นในครัง้งนั้นจะมีพื้นแต่ดินรราเรียบเสมอโอ้เป็นพื้นที่น่ายเลยไม่เป็นประนกุมตะตอบเลยเพราะแกว่า สวยงามอ่ะครั้งนั้นเนะี่ยกรุงพระนตาารีเนะี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นเกตุมมณีเกตุมมณีคือในจกักรวรรดิสูเป็นเกตุมเกตุมมณีเป็นเกตเกตมัเเกตมณีไม่มีคําว่าเอ่อเป็นเกตุมเกเกตุมดีแต่ว่าในที่นี้เป็นเกตุมมณมณีมีความยาวครสบติดโยดกว้างหนึ่งโยดจังหวะ มีต้นกร ะ, ะร้าประเพื่อเกิดที่ประตูเมืองทั้งสี่มีกำแพงแก้วเจ็ดชั้นแล้วก็ด้วยแก้วเจ็ดประการคั้งนั้นน่ะนะมหานรกาลเทวบุตรมหานรักาลเทวบุตรจุติหมายถึงตายอ่ะตายจากสวรรค์มาเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีนามว่าพระเจ้าสังขจักรมีพระเจ้าในยุคที่มนุษย์แต่เหนึ่งปีพระเจ้าจักรพรรดิมาเกิด สเสวยจักรพรรดสมบัติใน ก, กรุงเตตุงมณฑีเนี่ยในท่ามการเมืองมีปราสาสตแล้วก็แก้วเจปตปการผุดเกิดขึ้นจากหมากรงคาลอยมาทางท่ากามาตั้งอยู่ท่ามกางบรรณกรมิตราศาสแก้วนี้แต่กอดมิตราราสตรของพระเจ้ามาหาปรมทาาัศชิ้นบุญของพระเจ้ามาหาปนามาทัประสาสนั้นก็จมลงในคลงคา พอพระเจ้าสังฆจักได้เสวยจักรพรรดิสมบัติในเกศตุ้มาดีกระสาศกโผล่ขึ้นอย่างโงลเง่าโยอนุภาพของพระบรมบรมจกักรคือจากแก้วเนี่ยนะพระเจ้าสังฆจักนั้นทรงมีพระสนมกำนันประมาณแปดหมื่นสี่พันคนคนอายุแปดหมื่นปีนะอายุแปดหมื่นปีเปนเรียกปกติ โอ้โหแปดหมื่นสี่พันนึงนับไม่ได้เลยมีพระราชาโอรสหนึ่งพันองค์ก็ลองคิดอย่างนี้กันแล้วกันนะว่าในยุคของอายุไขของมนุษย์นี่ยแปดสิบปีเจ็ดสิบกว่าปีเน 8, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8. ี่ยยังมีลูกเป็นร้อยประจันประม่ ม, มีพระราชาโอรสเป็นร้อยระราชาโอรส ร, ร, ร, ราชกิดาเป็นร้อย ฉะนั้นก็แปดหมื่นปีมีอายุมีรูปพันคนเนี่ยถือว่าน้อยเนี่ยถ้านับอย่าง น, นี้ถือว่าน้อยพระราชโอรสองค์ใหญ่ทรงพระนามว่าอชิตาราชกุมารเป็นปรินายกแก้วคําว่าปรินายกแก้วก็คือเป็นขุนผลแก้วของพระราชบิดาเพื่อระร่ใ้่จักรพรรดินี่นะจะมีพระราชโอรสองโตเนี่ยเป็นปรินายก นั้นพระราชาโอรสกรุงโตนี่แหละเจะว่าราชการแทนหมดเลยพระเจ้ า, จจ า, า, จา เ, จเป็นติงยินเพียงโมคิดจะทําอะไรลก็จะหนองพร ะ, าะราชาองค์การเลยเป็นอย่างนั้นและจะไม่คิดกบฏเลยถ้าหากเขาไม่ได้จักรพรรดเนี่ยจะไม่มีปุณนี้เผลอๆต้องคอยระมัดระวางนะลูกเมือเ่อใด นช่ไหในร่างจะบลังเราศึกษากันเดี๋ยวเดี๋ยวบางที ล, ลูกชายขึ้นทำที่ดุข้าศัตรูอยางนี้จแต่ว่าถ้าเป็นพระเจ้ า, าจักรพรรดิจะไม่มีบุญแั่นเดียดมันเรียบกับบุญเนี่ยนะเออคนเราเลยสังเกตตรงนนีะ้ถ้าหาเป็นคนที่มีบุญหน่อยเนี่ยเราเข้าไปหาเราอุ่นใจนะไปอยู่ ใ, ใกล้ๆก็อบอุ่นชื่นใจมีความสุข ถ้าอย่างนี้แสดงว่าอาอคนคนนั้นไม่ดดูแต่ถ้าไปใกล้เข้าอยู่ใกล้ๆรลวมันร้อนลนอันนีม่ได้ใช่ไหมให้เราให้เราให้คิดยังไง ร, รู้ไมว่าถ้าเราไปอยปู่ใกล้พวกใบมูฟี่โอ้เราเราไม่ควรจะไปไม่ไม่ค่อยเใช่มรักขณะอย่างนี้ก็จัาเตอร น, นี้ต้องไม่มีดูเนี่ยทำไมจัดเบา แต่ถ้ า, าก็อยู่ใกล้กับคนมีบุญนะ่ยมีบางสุดคนก็อยากจะเข้าอย่างเช่นเท้าสกัเนี่ยนะเป็นจมเทศนครก็อยากจะเข้าไปเป็นอ่าบริจาคหรือเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นคนรักใเตียม่เห็นเท้าสกาัดอชื่นใจแอย่างนียู่ตอนพาะบุญของท่านเะนียท่ า, ทาบุญมาดีจะกว่าจะได้ถามนั้นนะัน้ต้องทำไปเรื่อยไม่ใช่ว่อยู่แล้วนะว่าโอ้โหคนก็จะฐ า, านะนะใช่ หรือไม่ใช่คำรักกระหานก็จะไปเป็นเท้าส ก, กา่าก็ไม่ได้ในสวรนค์ <c oughs> นี่เป็นอย่างงี้ฉะนั้นก็คือผู้ที่ประกอบไปด้วยรัตนะ์แก้วเจตการก็คือว่าจาักแก้วนางแก้วแก้วมมีช้างแก้วม้าแก้วข้ า, หารหบดีแก้วแล้วก็สรินายกแก้แอันนี่เรียกว่าแก้วเจตการนะนี่เป็น สมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิแต่ั้งหมดบุญสิ่งเหล่า น, นี้หายหมดอันนี้มาได้ได้วยบุญมาได้บุญของพระเจ้าจักรพรรดิทีนี้พระเจ้าสังกัจจ์ทรงมีไาม์ปุโรหิตผู้ใหญ่ชื่อว่าสุตธรามมีภรรยาชื่อว่านางธรรมธรรมวดีครั้งนั้นพระบรมโทธิสัตว์เมตยารับอาราธนานีมนต์ของเทพพญาดาทั้งหลายแล้ว จุตีจากดุสิตเทวโลกมาถือปฏิสนธิในคันของนางทามวดีในเวลาใกล้รุม่มวันเพนกลางเดือนแต่เกิดอัศจรรย์สิบสองลานก็นคือว่าเทพยดาพากันมาจัการาบูชาดังหาฝนตกลงมาจากทางอากาศแล้วก็มีปราศาสสามหลังขุดขึ้น เพื่อเป็นที่กระแสชำระของรอบลมโพธิสัตว์มีชื่อว่าสิริวัตรหนึ่งสิทธัตถะหนึ่งและ ก, กัจจคติกาหปรางปราสาททั้งสามหลังเนี้ยเป็นที่จเจริญสิริวัตมงคลควรให้สําเร็จประโยชน์ทุ ก, กรประการปรากฏงามบรรดุงจันในวังนี้มีกลิ่นหอมฟุ้งตลอดเวลาปราสาทเนี้ยนะดะดาราดด้วยนามสนมนักฟ้อนประมาณเจ็ดแสนาน นในตอนที่เจ้าชา ย, ยราหรือทักาะเนี่ยอยู่ในพระราชวังนี่ยมีนางสนมก็เป็นประมาณแปดหมื่นสี่พันอยู่ประมาณนี้ใช่แปดหมื่นสี่พันแต่พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์นี่นะมเออที่จะมาตรัาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแะเจ็ดแสน 7, 000, 5, 000. มากกว่านี้เจ็ดแสน แล้วก็พระคระาใหม่สีของพระบรมปีมสัจสมพันนาว่าพระนางจันทะมุนีมีพระราชโอรสหนึ่งองค์นะพะนามว่าพระมวัฒ น, นาบุตรทีนี้พระองค์ก็เกเมชสําราอยู่ในปราสาทตามฤ ด, ดูตามควรแต่ฤดูจนเมื่อพระชนได้แปดหมื่นปีอายุแปดหมื่นปีเนี่ยพระองค์ก็สเสด็จขึ้นสู่รถแก้วแล้วก็สเสด็จสัากุทยา ก็ได้ทอดขะเน่เห็นเทวพูดทั้งสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็น่าบวชพราเห็นเทวทูตทั้งสี่แล้วก็เกิดธรรมสังเวทมีพระไทยน้องไปเพื่อจัดบัญชาแล้วก็พิจารณาเห็นสมน่าเป็นอารมณ์นะ้ะคือเอาเทศของสมน่ามาเป็นอารมณ์ปัจจัยอุดหนุนแก่ศิ้นสมาธิปัญญาในใจแบบฟูขึ้นใจก็น้องไปในการที่จัดจัดบวช ในขณะนั้นปร า, าสาทแก้วซึ่งพระบรมบพิสตัตว์ครับยักษ์ย่างตำราระไทยอยู่กับพระราชโอรสข้าวมันเทศสีและน้ำขมิ้นทับพอทั้งปวงก็ลอยไปในาศาสร์รถงามประหนพญาอุทองินไปในาศาส์ปร า, าสาทบินได้แวยเทศทั้งหลายในมือนจักรวาลชวนกันถือสักระบูชาตามมาสักราระบูชาในอากาศในเวลาเรืองแน่นนับได้ถสงระดมนทย ทาาาา 8, 4, าาั้งท้าวพญาหมากระสับแปดหมื่นสี่พันขนครเขาเรียว่าในยุคนั้นกระสับต่างๆก็มาชาวเมืองในปัดกันแต่ชนบทชายแดนก็พ า, ากักสาระบูชาได้ดอกไม้และของหอ ม, มนานนักประจักด้วยระดาดเกินจนไปด้วยทั้งสมพูนวีดพวกอสูรก็แวดล้อมรักษากลางโดอสูรพญาหน้าคร่าก็ทําการบูชาแก้วมณีพญาสุวรรณ ล่าก็ตักสีก็บูชาด้วยแก้วอันเป็นเครื่องประดับสงวนพญาคนทั้งก็ทำบูชาด้วยคิพยะบุริยาตนตรีพร้อมลาบุญรดารดับต่างเทวโรโมทิศาเสด็จออกเป็นประชาในครัมมนั้นเนี่ยนะทวยเทพเนี่ยเทพยดาบ้างอินพรมยอมยากมนุษย์หน้าพุทธคนทั้เนี่ยพาสันัการบูชาพระเจ้าสังหัจจักกับพักเนี่ยนะพร้อมด้วย สาวสนมนางนายและเจะตุรงคเสนาโยธาหานก็ mm hmm. เสด็จใกล้พระบรมโพธิสัพท์ทั้งนั้นมหาชนทั้งหลายก็ผู้ให้บรรญชาก็พากันลอยไปในอากาศด้วยพระบรมโพธิสัพท์แปลว่าเออคนที่มีใจใข้จักบรรญชาใข้จะบ บ, ชะบวชที่นีน้ก็ลอยไปในอากาศด้วยาอานนมจักแก้วและนิมพ้าของพระโพธิสัตท์ทั้งถึงความไม้ตากระทิง อันเป็นไม้ตัดสระดกในครั้งนั้นไม่ เ, เย่ท่นโพนะจะเป็นไม้กายกระดิ่งพระจ่าแก้วก็เลื่อนลอยลงจากอากาศปฏิสถานใกล้ใกล้กับควงไม้กายกะดิ่นฝนะ่ายเท้ามหาพรหมก็เชิญทานผ้าการสารพักกับเครื่องละดาบบริาหารตั้งแต่น้องไปถวายบบพระโพิษัตวพระโพธิษัตก็ทรงตัดพระเกศาด้วยก็แสงดาบแก้ว แล้วโยนไปในอากาศทรงเทศ บ, บรระชาแล้วฝ่ายบริวารทั้งหลายก็นชวนกันบรรพชาตามเสด็จพระบรมโพิสัตว์เป็นอันมากข้ามหาบุรุษทรงกระทาความเพียรในที่ใกล้ตรัสรู้อยู่เจ็ดวันในวันที่เจ็ดนั้นก็เสด็จเข้าสู่ครงไม้มหาโผประทับนั่งบนอัจฉริอัปราชิตะสลัมคำนึกถึงชาติในตานก่อนด้วยปุกเพรวิวาสานุสติ คือละรชาติได้เลยทรงเห็นจัด จ, จัดแจงในว่าใครโดยลําดับแห่งบดมยามพอถึงแล้วก็ทรงเห็นจุดติคือการตายและปฏิสติมต้องตัทั้งหลายโดยที่ปจุกจักรุญญาในวัดชิมไมยามทรงพิจารณาปฏิยาการอันประกอบในองค์สิบสองคือพิจารณาปฏิจจสมุปาพิจารณาปฏิยาการในต้น ในปัดขิมยามก็ได้สําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทงตลอดทำทั้งวงเป็นพระามแต่สัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่นั้นพระองค์ทรงยางมนุษย์ประมาณแสนโกดให้ตัดสรู้ตามในครั้งนั้นเนี่ยทำมาที่สมัยคือการตัสรูท้ทได้วยวีเกตเทวดาและมนุษย์อันนับประมาณไม่ได้ mm hmm. ถ้าเรามองตรงนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสในอนาคตใช้พอาเพียรน้อยมากเจ็ดวันในบรรลุ แต่ถ้าถาว่าอกนี้ทำไมเจ็ดปีใช่ั้ยนี่คืออะไรเียุที่เป็นอย่างนี้ก็คือนี่แหละโทษแห่งการไปดูถูกสรรพวัต ย, ยาหรือไปดูถูกพุทธยานของพุทธเจาของพุทธาองค์งงก่อนบอกว่าบอกว่าพุทธาเนี่ยการตัดสิรใจเริอ ง, องอยู่จริง คือการพูดในลักษณะดูถูกโดยกำลองหนีตกมาลงมือได้อะไรไหทีนี้พอมาจนมาตัดสู้เนี่ยก็มีเอียดทำให้ประพึ่ปฏิบัติด้วยความยากลาบากถึงเจ็ดปีอันนี้ดูกรรมแต่ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าพระพเมตแตยาพระพุทธเจ้านั้นมีพระกาย 0, สงูงแปดสิบแปดศอกประกอบไปได้วยมหาภูริสลาขนาดสามิบสองประการมีพระฉักันในรั ง, งสีหประการ สว่างออกจากพวกรกายมนุษย์ทั้งหลายมีสติระลึกถึงพระพุทธคุณเนืองด้วยเดชานุภาพแห่งพระพุทธคุณนั้นมนุษย์ทั้งหลายได้บริโภคโภชนาหารนั้นเกิดจากข้าวสาลีเกิดขึ้นใหม่แหงได้ประจับประดาสรีระกายด้วยพักตราพรนานาอันเกิดแต่กรลปรบพึ้งประพฤติเลี้ยงชีวิตเป็นบรมสุขทุกเวลาเมื่อพระเมตตยะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจัดกับพระวจนสูตรนั้นน่ะ มนุษย์เทเวดาทั้งหลายได้บรรลุ ป, ประมาณสามแ0โกดคือสูตรแรกนี่นะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราตรัสสอนปัญญวคีอัญญาคนอัญญาได้จงตาเห็นธรรมพร้อมด้วยเทวดาไนโทรมเิสิแปดคแต่พระพุทธเจ้าในอนาคตเนี่ยตรัสเทศนาธรรมจักรปปวัฒนสูตรมนุษย์เทวดาจะได้บรรลุธรรม สามแสนกเยบมากใช่ไหมหวังได้ไปเองแค่เราคำนวณเงินหนักอยู่แล้วจะพ อ, อไปแทรกกับเขาได้ไห้เขาไปก่อนในรตระสอบเกษตานาไหครับถ้าใครจะปาสาจะเอากระสอบเกตรนานละข้างดีนาข อ, อาขอ ก, กันแรกครับเอาไปรู้กันเลย คือรอบประวัติในดีเอพระเมตายะกัพระพุทธเจ้าหรือพระสิริยาเมตใจเนี่ยสร้างบารมีมาถึงสิบหกอสงไขยแสนครับก็ทงสร้างบารมีสิบประการศินบารมีเป็นต้นทานาบารมีสินบารมีเนี่ยขมบารมีปัญญาบารมีจนเต็มบริบูรณ์นะและสินจะได้สําเร็จเจนพระพุทธเจ้าในบรรดาบารมีทั้งหลายที่ปรากฏว่าเป็นปรรมะบารมีที่ควรนํามาเปิดเผยให้สิน ความมีเลี้ยอุตสาหะและฉัมชาติแรงกล้าของผู้ที่จะสาเร็จสัมมาสัมปวิยานี่นะก็ mm hmm. ต้องเล่าให้ฟังหนูว่าแน่นีจการเนี่ยสมัยที่พุทธเจ้าพระนามว่าสฤษดิ์ในครั้งนั้นพระเสรยายะเมตไตรได้เสวยราชสมบัติในนครอินทรปัตย์นี่เลาประวัติของพระเสรยายะเมตไตรที่ท่านมาสร้ังบรมีนะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระนามว่าสาังไรจัก พระองค์ก็ตั้งว่าไทยว่าหากมีผู้ใดมาบอกข่าวว่าพระพุทธรัตนนาธรรม ร, รัตนะและสังครรัตนะบังเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพระองค์จะสระ ร, ราชบัลลังพระราชทานแก่ผู้นั้นแล้วพระองค์ก็ตระเวนเป็นพ้อรูเลยจ้ะตั้งใจไว้อย่างนั้นเลยถ้าพระพุธทธรรมำบารียสมุบัติเกิดขึ้นถ้ามีคนใครคนใดคนหนึ่งมาบอกข่าวว่าเป็นมงคลอันนี้จะตระราชบัลลัง เราเราสักนิดนึงเนี่ยไม่คืนขอเวลาใครใครมาชวนไปฟังฟังก็จะกล้าไสตลาดที่ไรไม่กล้าเลยที่ไรไม่กล้าเลยวันนั้นฟังฟังให้สนุกเลย ลักษณะอย่างนี้นกนยยินใจเหที่ท่านถึงขนาดนั้นเพราะว่าบรารมีเต็มแล้วทางนั้นก็มีกคนบุตรเข็นใจผู้หนึ่งบวชเป็นสัมมาเนนในพระพุทธศาสนามารดาเขาเป็นทาสีอยู่ในตระกูลทาสีก็เป็นขอทานเนี่ยสมมาเนนคิดจะแสวงหาทรัพย์ไปถ่ายมารดาค้นจากความเป็นทาสเที่ยวไปจนถึงนครดินปักษาชาวท่านาครไม่รู้จักสมมาเนนเข้าใจว่าเป็นยักา ก็จับเอาไม้มาไล่ตีที่สัมเณีก็กลัวยก็วิ่งหนีวิ่งหนีมาชนวิ่งไปจนถึงเมรัชวังไปยืนอยู่เฉพาะประพักของพระเจ้าสังฆาจารยคือพระเจ้าสังฆาจารก็ตรัสถามว่าท่านชื่ออะไรสัมมณีก็ทูลบอกว่าจะมาชื่อว่าสัมมณีพระเจ้าสังฆาจารย์ก็ตรัสถามว่ า, ออว า, า, า, า, วาที่ชื่อว่าสัมเณีสัมเณีนั้นเพราะเหตุได สมเนรกโทษว่าอาตมาชื่อว่าสมาเนนเพราะไม่ได้ทาบาปในภายนอกตั้งอยู่แต่ในกุศลละเอียดกุศละเอียดมีสามมีอัลโลพาเหตุคือความไม่โลภอัโทซาเหตุคือความไม่โกรธอัโมาเหตุคือความไม่หลงรหรือปัญญาเนี่ยถ้าใครตั้งอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าตั้งอยู่ในกุศลลเอียดตั้งอยู่ในความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็ตั้งอยู่ด้วยปัญญา ในการที่จะรู้ว่าอะไรเป็นคุณเม็นโทษเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เป็นบาปเป็นคุณเป็นต้นเหล่านี้เป็นกุศลเป็นอกุศลดำขาวเป็นต้นเหล่านี yeah, yeah, okay. ้แยกแยกได้อันนี้เขาเรียกตั้งอยู่ในกุศละเอียดใสเนร์ก็บอกกันารบอชมาก็ก็ตั้งอยู่ในกุศลละเอียพระเจ้าสังฆาจารก็ตรถามว่าใครตั้งชื่อท่านสมณเนรก็ทูลว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าพระสิรินิพพานญยู ทรโปรดประทานานามฮะเพราะาพระร่มโพธิสัตว์ทรงสดับคําว่าพระพุทธเจ้าเทนั้นจะถึงอริสัญญาหรือสลบเลยพอได้ยินว่าพระพุทธเจ้าสลบเลย ท, ทําไมถึงสลบ เ, ออเวลาตีใจสุดๆเนี่ยนนะหายใจไม่ทันเออหายใจไม่ทัน คันทรงฟื้นสติขึ้นมาก็ได้จ่าสถสามสำเ น, นินแบบนี้แล้วก็บอกว่าบัดพอพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยนะบอกว่ า, าพระโทีิสัตว์ทรงสับย์คำว่าภูมิทเจ้าเนี่ยก็ก็สลบพอสลบแล้วเนี่ยฟื้นขึ้นมา ก็ ต, ตราดถามว่าบัดนี้พระสริมิตรพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนะสมเด็จกัทนุบอกว่าสมเด็จก็กลับพันยูพระพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่ที่ปุขารามซึ่งอยู่ทางธิดูดอเ น, นี่ยนะห่างจากกรุงอินทปัะน์เนี่ยประมาณสิบหกโยชน์พระบรมโพธิสัตว์ทรงสดับแล้วก็มีพระไทยทยินดียิ่งนะไม่ได้ทรงอะไรในสรีราชสมบัติ ทรงพระประสงค์แต่จะทรงพบเห็นพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งเท่านั้นจึงทรงให้สมณเณรสึกเสียแล้วทรงพิเศษให้เป็นกษัตริย์สืบสาราชสมบัติแทนพระองค์เณรเณรบอกแก่โยบพุทธเจ้าว่าเกิดขึ้อนอย น, นี้ได้าดราชสมบัติไเมเป็นพระเจ้าเไี่ยได้ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน พระบรมพระพุทธสัจคันทรงราชาพิเศษสมเนนแล้วก็เสด็จไปตามลำพังพระองค์เดียวมุ่งหน้าไปทางนิดเหนือสร้างพระทัยไปปลูกผาราทำเป็นที่ประทับของพระสรีนิดพระพุตตะเมื่อพระโพุทธสัจคันทรงเป็นพระโพุทธสัจค์เนี่ยทรงเป็นสุขุมมารชาติเนี่ยสุขุมมารชาติพระสรีร่ากายเนี่ยละเอียดอ่อนดีพระเสด็จดาเนินไปตามมคาด้วยพระบาทป่าวีกวันเดียวพระบาททั้งสองมาแตก ถ้ารอยหดก็ไหลออกจากกระบาดทั้งสองข้างเมื่อกระบาดแตกไม่อาจจะทรงดําเนินต่อไปได้ก็ทรงคุกคุกประชงผู้เขาคานเข่าโดยทีละ น, อน้อตามหนทางที่สมณีนบอกไม่ได้ลักความเพียรเลยคุกเข่าเดินไปอย่างนั้นลนะ่ะล่วมไปสี่วันพระหัดซ้ายและขวาแล้วก็ประชมทั้งสองข้างก็แตกถ้โรหยหดก็ไหลไม่อาจจะทรงคานต่อไปไหว แต่พระองค์ก็ไม่รรยรมเพรถอยมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงจุดหมายจึงไปพักนอนพักแล้วก็ไถ่เาเวลากายไปทีละน้อยอะไรโน้ยเพือพระอุละเอาหน้าอกน่ะเออถ้าหากเป็นอาหารเขาจยก็เสือกป่าหม อ, มอดิ้นไปทัศน์ไหนดิ้นไปอย่งป่าหมอดินด้นเปอย่างป่าหมอดิ้นดินไปอย่างนั้นะก็ไปนะไถ่เพราะเวลากายไปทีละน้อยอะไน้ย ได้รับทุกขวเวรน า, าอย่างแสนยาเหลือที่โยชน์แล้งเจ้าทรน่วงเอาพระพุทธคุณมาเป็นอารมณ์คือ ต, ตรงนี้ทำให้ได้ข้อคิดอย่างใดที่เราได้ทั้งหลายเนี่ยก็สอบทุกเจ็นใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกเพราะโรคภัยได้เกิดหรือทุกเพราะปัญหาชีวิตหรือทุกเพราะอะไรต่างก็แล้วแต่เนี่ย สิ <departed? |mt|> ่งที่จะช่วยพยุงจิตใจเราได้ดีที่สุดไม่มีอะไรเกินพุทธคุณแต่เตียงข้อมูลเอยไว้เข้อมูลพุทธคุณก็คือประวัติความเป็นมาข้อปฏิบัติของพระพุทธองค์ทั้งหลายในอดีตจนถึงปัจจุบันทั้งหลายเนี่ยที่เราจําได้แม้แต่ว่าพระโวยวสัตว์พระเสด็จพระเมตตที่ท่านสมุัยปฏิบัติอย่างเงี้ยดูความเพียรพยายามในการที่การจะเป็นพระพุทธเจ้าเบื้อต้นแล้วก็รู้ถึงพระพุทธคุณ ปีติมีโสกขวาวเป็นทั้งที่เราสวดคาทถ้าเราเลิกได้ในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยความทุกข์ยากลำบากใจทั้งหลายนะมันจะคลายลงในขณะนั้นมันจะมีปีติที่มีวุตตคุณมาเป็นอารมณ์มีโสมนัสมีปีติมีศรัทธามีความตั้งมัน่นทีนี้พอใจเนี่ยนะอืมประกอบไปได้วยปีติไปได้วยศรัทธาด้วยโสมนัสทั้งหลาย สภาพของจิตใจเนี่ย จ, จะไปสมานกายที่เปทุกขโทรมันจะแบ่งเบาได้ทําให้ความทุกขที่เกิดขึ้นเวียนตายจากสิริล่ะเนี่ยนะจากความลําบากจากการถูกกระทำอะไรทั้งหลายเนี่ยมันคลายลงอันนี้เขาเรียกว่าด้วยอำนาจของพุทธคุณฉะนั้นเมื่อท่านดลวงเอาพุทธคุณเป็นอารมณ์ได้เรจรนาจะไข่จะพบเห็นพระสิริมรพระพุทธเจ้าเป็นรักันจึงอดกั้นแต่ทุกขเวทนา ไม่อะไรเสียใจยชีวิตคือก็เลยถาวายชีวิตเป็นเป็นพุทธบูชาตรงนี้ก็ก็ฝึดเขาวา่าเนาะก็ฝึกเขาวา้เพราะว่าทุกวันเนี่ยบาคนเนี่ยเวลานี่ก็มีคนเทาเข า, าเล่าเล่ากนบางค น, เ, นเวลาใกล้จะตาย เจ็บป่วยทุกทรมานทึ่นไหมก็พยายามจะให้พระเนี่ยไปบอกคนงานทีนี้ถ้าหากว่าตนเองเนี่ยในอัปยาัยในชีวิตที่ผ่าน ม, มาถ้าไม่ได้สั่งสมไม่ได้อบรมไม่เคยสืดผลอัปยาัยมาเลยเนี่ยแต่จะไปฟังในบ้านตายสุดท้ายเนี่ยซึ่งมันไม่ทันการแล้วแต่คนที่เขาจะทําตรงนี้ได้ดีนั้นคือในชีวิตประจำวันของเขาที่เป็นอยู่เนี่ย ใจเขาโน้มเขาหาพุทธคุณอย่างดอกนี้ถ้าหาเขาทําได้ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยพุทธคุณเนี่ยจะอุปการะเขาได้ครั้งนั้นเนี่ยสมเด็จพระสิริมิตรสัมมาวุฒิเจ้าตรวจดูสัตว์โลกเห็นความวิรยิยะอสะอาดแารงกล้าของพระโพ ธ, ธรริสัตว์ก็ทราบทันทีว่านั่นเป็นหนอนเนื้อพุท ธ, ธังคูเข้าใจคําว่าหนอนเนื้อพุทธังคู ก็แปลว่าท่านคนนี้จักเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนห น, น, น่อไม้หน่อไม้ก็แปลว่าต่อไปเราจะเป็นต้นต้นไผ่หน่อหรือพระพุททางกูนหรือตอนนี้ยังเป็นหน่ออยู่แต่ต่อไปเราจะออกไปเป็นพระพุทธเจ้านะอย่างเราเป็นหน่อเลยยัง <c ười> ไ, ไงก็คือให้มีพระพุทธทานได้ทั้อย่าง ถ้าสัมมาสัมพุทธะไม่เอาก็เอาปัจเจ ก, กพุทธะถ้าปัจเจ ก, กพุทธะไม่เอาก็เอาสาวะกาพุทธะถ้าสาวะกาพุทธะยังไม่ได้ก็เอาสุตตพะนอกจาไมได้แล้ววนันก่อน้วยฟังพ้าท่านบรรยายไปนั่งอภิปรายกันเลยกันมีพระรูปหนึ่งท่านจบมาจากทางสุตตมัธท่านบอกว่าคนไทยเนี่ย บอกชาวพุทธเราเนี่ย like, พ like so ุทธเนี่ยมันมีอยู่สามมันมีอยู่สี่ประเภทสัมมาสับพุทธะปเจกสับพุทธะสาวกกับพุทธะแล้วก็สุดสัมพุทธะแต่พุทธทุกวันนี้มันพุทธพุทโผล่กันนายบวเรานั่งคุคมๆเข้าใจป่ะพุทธพุทธแบบพุทประเภทพุทธพุทธโผลแ่เต้ยจีิยังไม่เปตัวเองนะเนี้ย เตเ่นนไม่คดีอันนี้ก็เร็ยนอนเนื้อพุทธงกูเช่นเดียวกับตถาคฉชนะสมควรที่จ ะ, สะเสด็จไปให้ใกล้พระโบดิสัตถ์จึงทรงเนรมิตพระองค์ด้วยดวยิเป็นประมาณน้อยขับรถเกิดเป็นมนุษย์น้อยขับรถสวนทางเฉพาะหน้าคุทเพร่อจะเพืจะแปลงกายเป็นเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งซึ่งไม่ค่อยมีเท่าไหร่ พระเจาองปัจจุบันนี้ก็เคยมีนะโอเคดีเขาเขาเป็นกระตับสนทนากันก็ไปแสดงกายเป็นสัตว์ในสนขนางในเรานี่ก็แล้วดีคนที่สามารถแสดงกายเป็นอะไรก็ได้ก็เป็นนี่นี่ก็แปดงกายเป็นมันเลยขับรถสวนทางเฉพาะหน้าพระโพธิสตว์ตรากถามว่นานั่งใครมานอนอยู่กลางทางขวางทางรถของเราเนี่ยหลีกไปให้รถเราของเราเสีย พระพรมโพธิสัตว์ก็ตรัสตอบว่าท่านจะมาขับไล่เราให้พ้นจากขนทางด้วยเหตุไดก็ตัวเรานั้นรู้จักคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ชอบแต่ท่านจะหยุดรถหลีกทางให้เราจิน่อจะคุณถ้าอกวลาอเออท่านจะมาไล่เราให้ออกจากทางเนี่ยไม่ควรลอบเราเนี่ยรู้จักพุทธคุณเนี่ยรู้จักคุณของพระพุทธเจ้าและการจะทำของเราเนี่ยทาไปเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเห็นไหม เป็นการกะทําที่ยิ่งใหญ่ท่านจะมาไล่เราจะออกแกบนทางตรงนี้นะี้นะอย่างนี้ดีเลวลาเราจะเดิ น, นดกําหนดที่เดินอะไรไปเรื่องเรื่องต่งพุทธคุณเราก็ไม่ต้องหลีกครับถ้าใครบ อ, อกว่าทำไมไม่หลีกคุณีต้องหลีกแล้วเพราะในขณะนี้เรากําลังระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แนละ้วมาเรื่จริงนะคุณมันสำคัญมันหลีกมาเลีกเราได้ตอนนี้เรามีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่ คนมากระทำในสิ่งที่ไม่สมควรนี่ไม่สมควรจริงๆเพราะฉะนั้นอย่างนี้นะถ้าสมมุติมีใครคนใดคนหนึ่งกําลังเจริญกรรมฐานา แ, แล้วก็เริ่มถึงพระคุณคุณของพระเจ้าอยู่แล้วเราไปทาหนี้ท่านดูนะหัวเบามากเลยแต่ถ้าเราไปบูชาท่านคุณล้านนี่นะโอ้บุญก็มากมเลยนั่นเปนี้นี่ก็เหมือนกันท่านถึงท่านถึงยืนยันเลยว่าท่านไม่นคนอื่คนอื่นคนอื่นต่างหากคนอื่นท่าเพราะท่านรู้คุณของพระเจ้า เลยสรุปก็คือว่าท่านรู้จักพระพุทธเจ้าดีทำไมท่านถึงรู้จักพระพุทธเจ้าดีเพราะท่านต้องศึกษาให้ละเอียดละออแล้วลในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องทำอะไระอย่าลืมว่าท่านคิดในใจมาไม่รู้เที่ยงขยันเป็นวาจามาไม่กีไม่รู้เที่ยงขยันพร้อมที่จะได้รับพระธรรมญาณดอนแล้วพราเจ้าสรุปแล้ ว, ลวท่านรู้จักพระพุทธเจ้าดีมากมากเดีย๋ยเราดู ถ้าหากเราไปเจอบุคคลบอกว่าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเราต้องไปถามคุณรู้จักพระุทธเจ้าดีรู้ดีแ่ไหนใช่ไหถ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าต้องรู้จักพระพุทธเจ้าต้องรู้ยึกว่าปัญญาที่กาสัมมาของพระพุทธเจ้านะั้บนบารมีเท่าไหร่ศรัทธาที่กาสัมมาของพระพุทธเจ้าวิริยาทิกา สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นบารมีเท่าไหร่และบารมีมีอะไรบ้างและอ่อธรรมะสโมโอทางเป็นต้นแบบนั้นมีอะไรอย่างไรเป็นต้นงนี้ถ้าท่านไม่หลีกทางไปก็จงขับรถไปให้บนหลังของเราเลยดรู้ไหบอกอย่างนั้นเลยนะบอกว่าเอาละตัวเราเนี่ยรู้จักคุณของพุทธเจ้าเป็นอย่างดีชอบแต่ท่านมจะหยุดรถแล้วหลีกทางให้กับเราจริจะควรแต่ถ้าท่านไม่หลีกทางไปนะท่านก็ขับรถตายไปบนหลังเราเถิด ซึ่งจะให้เราหลีกทางให้ท่านนั้นเราหาหลีกเราทําไม่ได้หรอกแต่ถ้าท่านจะทําก็คือจงเหยียบไปบนหลังเรามานบน้อยถึงว่าถ้าท่านจะไปยังสําน่งของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยขอรงขึ้นรถไปกับเราเถอดนอมะพระองค์เราจะพาท่านไปพระโที่สัตว์สงตอบรับด้วยความยินดีทรงอุตสาหาักําลงพระกายเสด็จขึ้นรถทรงของพระเสด็จพพุทธเจ้า ทั้งไปได้ครึ่งทางท้าสก่าจอมเทศดกับนางสุชาดาเพื่อนางสุชาดาเนี่ยเป็นอกากละมาเยศีสองท้าสก่านางสุชาดานี่ต่างชาติเนี่ยโ ต, ตายหมดอายุตายไปเกิดเปมัวิามท้าสก่าวรรคเนี่ยมีภรรยายหลายคนคนอน่นก็ถามว่า นางสุชาดานี่ยตายไปแล้วจเกิดสิ่งอะไรท้าวสก่าเขาไม่ได้ดู <c oughs> ต่อมาก็ไปช่วยกับมันไปก็ได้เวลานั้นแล้วก็เท้าส ก, กะนางสุชาดาเนี่ยก็ทรงนาอาหารแล้วก็น้ําอันเป็นทิพลงมาจําแลงเพศเป็นมนุษย์เดียอยู่หน้ารถแล้วก็ร้องบอกนายสารสีท่านต้องการข้าวหรือไม่ถ้าต้องการเราจะให้ครับ ถ้าสมิยนี้พระพุทธเจ้าึ่าแปลเทศ์เป็นมาต้อขับรถมีแปดมากท่านบอกว่าเรามีบุรุษทุกพลาภาพโดยสารมาในรถคนหนึ่เขาได้รับทุกขเวทนากาท่านจะให้ข้าวน้ำแก่เราก็ให้ถิเราจะได้ให้แก่บุรุษทุกพลาภาพนะบริสุท ท้าโกศีกับนางบูชาดาก็มอบข้าวอันเป็นทิพย์นั้นให้แก่ศิริมิทพระุทธเจ้าพระองค์ก็ประทานให้แก่พระโพธิสัตว์พระบรองพโพธิสัตว์ทักเขยข้าวอันเป็นทิพย์แล้วความเจ็บปวดในศรีระก็อันตรธานกลับเป็นสุขกังก่อนท้าสิรินิทพุทธเจ้าทรงพาพระเจ้าสังฆจักพระโพธิสัตว์ไปถึงปุพาดาวิหารแล้วพระองค์เข้าประทับนั่งบนพุทธอาฏในเขาวิหาร ส่วนพระโพ ธ, ธิสัตว์ก็เสด็จลงจากรถเข้าไปในเขาวิหังทอดพระเนตรเห็นพระองค์พระเฉลิมพระุตรเจ้าผู้ประกอบไปด้วยมหาโุธิสารคณาสามทุสองประการและอรุปรยาชนะแปดสิประดับด้วยพุทธรัตมีอันโอภาสออกจากพระวรากายที่ประทับนั่งอยู่ก็สลบเลยพอไปเห็นพระพุทธเจ้าแนั้นแหละสลบเลย ทรงประพักของพอระเริมิพระพุทธเจ้าด้วยความโสมนัติติตจีนีเป็นล้นลพ้นเพื่อแต่ดโสมนัติิตีเนี่ยทำ ม, มากเกินไปเนี่ยลืมหายใจเลยสลบเลยจะเป็นนี้พระเริีมิตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนมหาบุรุษผู้เป็นอาิาีาตาชายอันเบเซอ สถาคต อ, อยู่ในที่นี้แล้วทั้งนั้ น, นพระเจ้าสญญารจักรโพธิสัตว์ทรงกัดแจรัตติชื่นชมยินดียกพรกรขึ้นเหนือพระเสียงก็ทําการอภิวานสญญาานมัสการกราบคูลว่าข้าแต่พระพุ้ธมีพระภาาข้าพระพุทธเจ้ามาถึงสํานักของพระองค์แล้วขอพระองค์ทรงกรุณาเป็นอีกคึ่งแก่ข้าองค์เลยเถิดโปรดทรงแสดงทางเทศนาแก่ข้าพระพุทธเจ้าในการบับนี้เถิด พระพุทธเจ้าพระเสด็จพระพุทธเจ้าตรัสว่าขอพระองค์ตั้งพระทัยสดระตถาคอันกล่าวถึงคุณของพระนิพพานแบันี้ท่านจะตรัสพระสัทธรรมเทศนาโปรดพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ทรงสดับพระธรรมเทศนาไปได้หนึ่งบทหนึ่งก็ทูลว่าขอพระองค์หยุดพระธรรมเทศนาเยถเธออย่าได้แสดงต่อไปเลยคือแสดงหนึ่งหน้าตบางท่าอย่าแสดงเลย คือจับแก้หมดแล้วใช่ไหมถามว่าเหตุไรพระเจ้าสังฆจักรสามนจักเนี่ยติณฑูนย์ห้ามพระุทธเจ้าทั้งที่เดิมทีตั้งพระไทยผูกพันในพระศาสนาเราเลือกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นเสียสละราชฎรพลังเสียสละชีวิตสเสด็จมาด้วยความทุกข์ยากลบาบากจนแค่เอาชีวิตไปเดิมพันนีตรงนี้ทาวิสัชนาบอกว่า พระเจ้าสังาจักดมิว่าถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดประทานพระธรรมเทศนาเป็นอันมากแต่พระองค์สเสด็จมาโดยรำรังหาทยยรรมอันสมควรที่สัสกการะบูชาพระธรรมเทศนานั้นไม่มีไม่ีเลยัตบ น, นี้เราได้สัดับลถของพระธรรมเทศนาแต่หมดเดียวก็พอสมควรแก่สักการะที่เรามีอยู่ พบบราะาบิดอย่างนี้ทรงข้ามกา ร, รแสดงธรรมของพระอุตตรชัยด้วยเหตุนั้นนะพระเจ้าขัน จ, จักรจึงได้กราบทูญว่าข้าแต่พระองค์บุณนึิดข้าพระองค์ได้สดับว์รรมพระธรรมพระตธรรมเทศนาของพระองค์ที่ทรงพระกรุณาตรัสพระสัตธรรมเทศนาแสดงนิพานเพียงอย่างเดียวก็เป็นที่สุดแห่งพระนสนัตวธรรมอยู่แล้วใชมมัสสีพุทธีน่ะแต่พระอุตตรชัยแสดงนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่สุดยอดของ คือเป็นธรรที่เป็นเครื่องพ้นทุกขเนี่ยบอกว่ามองดูอะไรก็ไม่มีที่จะบูชาเลยก็เลยบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าขอตัดศีตรษะตัดเขียนเนี่ยอันเป็นที่สูงสุดในสรีระกายของข้าพระพุทธเจ้าบูชาพระตัมภคมั้งนั้นกราบคูณแล้วเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็ตรงอธิษฐานขอให้เล็บของพระองค์เนี่ยคมเหมือนดาบแล้วก็ตัดคอนี่นะ ให้ขาดวางวนพระหัตถ์ตั้งวันิทานปรากถนาออกพระโอษฐ์เป็นวาจาว่าข้าแต่พระองค์ผู้พระศรด็จมเป็นที่เฉยเลยขอเชิญพระองค์เข้าสู่อมตะมหาวิทานอันกเกษมกษานก่อนเถือข้าพระพุทธเจ้าจะตามเสด็จไปภายหลังด้วยว่าข้าพระพุทธเจ้าถ ว, วายเสียนกล้าดูชาวเทศธรรมแล้วในบัดนี้ ในที่สุดแห่งพระวาจาที่ตั้งบริทาดฐานวาป ร, ปรากณาพระบรมโพธิสัตก็จุดติเส้นชีวิตไปกำเนิดในฤาิ์เทวดาถามเคยเคยเจอไหมหนึ่งตรงนี้ต้องอธิบายเดี๋ยวว่าใช่ไหมว่าต้องมีมีหลายท่านนะที่บอกว่าไปบูชาพระ่า แล้วก็เห็นความอาฆรตยันของพระท่นแล้วก็ใช้ด้วยคนตักอยูวแล้วก็บูชาแล้วก็ตักข น, นาดเป็นพระพุทธเจ้าที่จริงก็เลยตั้นศึกษาขนคือศรัทธาท่านี้แค่นั้นมีแค่เดีวยวใช่ไหคือมันไม่แก่พอหรือมันไม่แก่กล้าที่ขนาดมันตักออกตรงเนี้ยเป็นเป็นแบบอุปตินะ เป็นแบบอุกร์มั่นซึ่งซึ่งไม่ใช่ทําด้วยโมหะและไม่ได้ทําด้วยความโกรธไม่ได้ทําด้วยความหลงไม่ได้ทําด้วยความหลงแต่เป็นการทําด้วยปัญญาที่เป็นระดับปรมัตถะนะถวาไหว่บชีวิตเป็นทานเป็นปรมัตถบามีเป็นทานะปรมัตถะบาลี ที่จริงเนี่ยการจะทําในลักษณะอย่างเนี้ยถามว่าบุคคลอื่นทําได้ไหมนะคนใจธรรมดาอยากไปคิดทำคิดได้เลยทำไปเลยเว้นไว้จะทำด้วยความโกรธเช่นเราโกรธใครไปตัดคอใครอย่ยางชาว้านใต้หรจะตัดหรือเปล่าก็ไอ้ น, อ น, นั้นแ่ละแต่ไม่ใช่ตัดต้งโดนเหรือหรือคิดฆ่าตัวตายแต่มันไม่ใช่ที่เหตุนั่นไเจตนาเนี้เป็นประการที่สาคัญ ม, มากๆ เออพูดถึงเรื่องกรรมกรรมเกีเ่ยวเรื่องของตัดคอวนอนี่แล้วมีแพะตัวนีงพระราชาก็ก็มีค่าค่าแพะบูชายาก็ก็สั่งให้เอาแพะนี้ไปขึ้นลานพระตัดคอก็อจะบูชายาพอจูงจูงไปแล้วเนี่ยพอาา่อาาท่าานพระมหาทําค่าจะตัด แค่แผลตัวนี้ก็หัวล้อขึ้ไม่รู้หัวล้ อ, อยังไงนะแผลก็หัวล้อพอหัวล้อได้เสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งแผลก็ล้มไงนะครับนะครับก็เลยก็เลยถามัก็เอาแผลมาถามบอกว่าแผลนี้ที่ท่านหัวล้อหัวล้อทำไมแล้วทําไมหัวล้อเสร็จแล้วได้ร้มงั้นเขาบอกที่หัวล้อเนี่ยเพราะว่าชาตินี้เป็นชาติที่ห้าร้อยเจ้าไปเจ้าจะหมดกรรมแล้ว ใช่ไหมผัวดกรรมแล้วเพราะกรรมที่ข้าพเจ้าฆ่าคนอื่นมาด้วยการตัดคอเนี่ยข้าพเจ้าเกิดมาเป็นอะไรจะต้องโดนตัดคอมาเลยหรือเปล่าฉะนั้นชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วต่อไปข้าพเจ้าได้หมดเลยหมดกรรมไม่ติดเรื่งที่หมดแล้วออะไรที่โดนที่ร้องไห้ละสงสารคนที่จะตัดคอข้านสงสารคนที่เขาจะทํากรรมใหม่เนี่ยแล้วคนที่บอกกล่าวไปตั้งแต่เนี้ยจะต้องตายเลยถูกตัดคอโวบ๊อบพูดอย่งเนี่ย เลาชาก็าอูกลัวทำนี่เออแค่อย่างนั้นละเดี๋ยวเราจะดูแลนั่นนี้แค่ก็บอกว่าดูแลไม่ได้แล้วทำของเราหนักเลยเลยฮู้ดูแลได้เรามีทหารคอยดูแลใช่ไหมต้องให้ทหารคอยดูแลไปไหนให้ยา ก, กินมีว่างนิ้งกะพากินเนี่ยทหารก็คอ ย, ยดูแลดูแลอยู่ทกัปฝนก็ตกไปพลอยฟ้าผ่าพที่ฟ้าผ่าที่ก้พอห็นได้นนะ แตะเลืนเขียเนเขี ย, กยกนก้อนิก็จะเด็นมาตัดคอแพ้ขาดเี็นวิโเรียนกรม่ ร, นนมรชาตทีแล้วเคตักคอไปบ้งอเาก็มาสูงตักคอยนี่ก็ถืเป็นกรใช่ไหมแต่เราบอกว่าโอ้คนนั้นตายโดนตัดคอเนี่ยเราจะไปขอไหให้คิดถึงอะไรท่านคนนี้ต้องเคยตักคออะไรเป็นแน่และคนที่ทกากรรมใหม่ก็จะต้องไปดถาคอ สังสารวัฏมันก็เป็นอย่างเนี้ยก็คิดในลักษณะอย่างนี้เราก็ไม่ไปโท ม, มนะันเพียงแค่ฝังไวยสนุสดนกด้ะให้คิดอย่างนี้นะขั้นเมื่อได้ได้เกิดในขั้นูุสิตเนี่ยขั้นเมื่อได้ตรัสรู้เป็นพระตัพปัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็มีพระกายสูง88ต่อถ้าชื่อเลาให้ฟังบอกว่าเนี่ยด้วยอนิสงส์แห่งพระสังข์พระโพธิสัตว์เนี่ยที่ถวายศีรษะเป็นพุทธบูชาแทน วันที่ไปฟังพระธรรมเทศนาเพียงหนึ่งคาถาเนี่ยต่อมาก็ไปเกิดเ็นพพจุสิตต่อมาก็มาตัดสรู้ในนาคตทนี่นะจะไปตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะมีพระกายสูงแปดสิบแปดต่อด้วยผลทานที่ถวายก็เสียบูชาก็ตัดคำพระองค์ก็จะมีรัตนีตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ได้ขาดทั้งรัตนีในขาดเลยทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยพระนิสงส์ที่พระองค์อุตสาหะ เสด็จนีมารคาด้วยความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจนพระโลหิตไหลจากพระบาทและพระชงพระหัตถ์และพระอุระอันหนึ่งท่านท่านกล่าวว่าเมื่อพระองค์สําเร็จเป็นพุทธเจ้านั้นเนี่ยพระพุทธโอรัศมีจะแผ่ซ่านตลอดไปทั้งเบื้องบนถึงบรมโลกเบื้องล่างถึงอเวทีเะตุนั้นการจะทำเนี่ยมีผลหมดเลยนะเพราะว่าปาลบพระพุทธคุณเนี่ยเราลองลองทําเลยดี้ด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่ตารบคุณของพุทธเจ้า แต่เดินจงกรมจะนั่งกรรมฐานและลเรถึงพุทธคุณจะทำไปเถึงอา น, นิสงส์เนียด้วยอา น, นิสงส์ที่พระ อ, องค์เด็ดพระเสียนออกทำส ก, การะบูชาพระธรรมมีพระโลหิตไหลออกจากพระเสียนอิกปการหนึ่งในศาสนาของพระศรีเยเมตไตจะได้บังเกิดมีไม้กันและกับพึ่ ที่ให้อะไรให้สําเร็จตามาาความปรารถนาด้วยพลาณิชสงที่พระองค์เสด็จไปมัคคะความปรารถนาใ่าจะพบพระพุทธเจ้าถึงเจ็วันจึงได้ประสบพระพุทธเจ้าก็คนทั้งหลายที่ได้เห็นพระโคดมศาสด า, าปรารถนาจะพบเห็นพระศรีอริยเมตไตรในอนาคตท่านให้ขวัขวายในการเดินทางถึงภาวนาเนืองเนืองด้วยเบชาพลาณิชส์นั้นคนทั้งหลายจักได้บังเกิดทันพระสาสนาของพระศรีอริยเมตไตรใ น, านา เขบอกว่าถ้าใครเกิดทันศาสนานี้เอย่างพวกเราเนี่ยนะถ้าปรารถนาจะไปทันพระสปยาเมตใจในนาทุให้ขวนขวายในการเจริญทานภ า, า, น า, านวนาศิครับเจริญทานเจริญสิ่เจริญภาวนาเมื่งเมืองแล้วตั้งอธิยาไส้ว่าขอให้เกิดทันพระพุทธเจ้านางสิย้เมตใจแล้วได้ตัตดกระดูชบว่าพระเบิดต้นเราเนี่ยนะ เขาจะสปรารถนาได้บ้างไหมยใกล้แล้วนะไม่ใช่ไกลนะใกล้เลยลองมากจทำให้เราบ้างมาคิดดูว่าในอดีตการนามมาแล้วเนียพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เนี้ยล่ารือสมัยที่ยังทรงบำเพ็ญบารมีได้พบพระเมตตาญาพธิสัต์มาตั้งแต่พระองค์ตั้งวางปรารถนาอยู่ในใจ ที่จะเป็นพระพุทธเจ้านะั้นและยังไม่ได้ออกพราววาจาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นอ่ะท่านคิดอยู่ในใจว่าขอให้เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้มาในชินนักการามารินิกกรในหมหานิษฐานในศาสนาของพระพุทธเจ้าบรร nam ว่าตรมเทวะก่อนแต่ศาสนาของพระดีฟังกอ่อนสมานมุขแต่เจ้าพระพุทธเจ้าของเราในสมัยที่ยัง มิได้รับพุทธวิยากรในตำแหน้าของพระพุทธเจ้าบงเพ็ญบา ร, รมีมาแล้วสิบหกองส์ไัยแต่คนะับคือคิดอยู่ในใจเรีเจ็ดเปล่งวาจาปรารถนาเป็นพระเจ้าเก้าองค์ไถรวมเป็นสิบหกในสมัยนั้นเป็นสารกัดคําว่าสารกัดมันก็แปลว่ากับที่มีพระพุทธเจ้าเพียงว่าองค์เดียวปัจจุบันนี้เขาเรียกทัตกัดกับที่มีพระเจ้าห้าองค์ ใช่ไหมกูุตสันโธโกนาธรมโนโกัสสะปะและก็ธรรมณะคุณแล้วก็สี่ ย, ย, ยามีใส้ฮะอันนี้เรียกว่าสารกับแต่ว่าถ้าสารกับมีกับที่มีพุทธเจ้าองค์เดียวที่ันบังกับนี่กับนี้มีหา้าคิดดูผ่านไปสี่เรายังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะใช่ไหมผ่านไปสี่องค์แล้วนะแต่เรายังเฉยๆอะ ย, ยังไม่ได้ เดี๋งเดี๋ยวต่อกบวชมันต้องเป็นอันนี้ถือว่าเกิดมาถือว่าบุญดีตัวเดนนะเมื่อเกิดในพตะกับเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวก็มาอีกองเดี๋ยวก็มาอีกองเดี๋ยวก็มาอีกองเนี่ยแต่ทานตีแล้วยำเฉยเลยยังไม่ได้อะไรเลยได้อย่างเดียวบุญชาติทุกชาติทุกทุกข์ความความเกิดก็เป็นทุกข์แล้วความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็ความเป็นทุกข์เป็นทุกข์ได้ ตัวกากกะริเกไว้ทุกระกมีน่าจ้างให้ไปบางทีกะรเลยพวกเราทั้งหลายถูกความทุกข์ยากมาแล้วกเราทั้งหลายมีคอามทุกข์ตึนใจในเรื้องหน้าเลยแล้วจะทาเช่นไหนยิ่จะโผลจอากว่าจะทุกข์มีกองทุกข์เหล่านี้แล้วก็ไปนั่งปนบนกันสักนก็อึมไปเรื่อยๆอย่านตอ ก็ยัง ม, มีสาระอยนั้นมีเยอะนะต้องมาคิดดูแลสาวทยาไปเอามาตรึ ก, กอะไรบ้างถ้าไม่ค่อยคิดอะไรไม่ค่อยมาตรึกมาใช่ควรมาพิจารณาคุณศรัทธาก็ไม่ค่อคิดที่เอาให้จบเปประมาณวันแรกเลยวันวันนี้มันนั่นๆ่นเลยคลิดส่วนใหญ่ไม่ไม่ค ไ, ได้อะไรมากไดเลย ทีต่ต้องต้องเห็นได้ศรัทธาในขณะนั้นก็ต้องทิ้งอะไรหมดเช่ไหมศรัทธาฝันอะไรต่าง ๆ, ว, งๆวันหนึงมีโอกาสมันเหมือนว่าในสมัยทั้ง พ, พัฏจักรเย็นลงเขาก็าเข้าไปเป้าพระพุทธเจ้ากันต่างๆมีเหมือนกันเราก็วันหนึ่งเราก็เป้าพระพุทธเจ้าสักวันเราค้างอย่างน้อยวันอื่อ น, นี้ครับก็ให้เป้าแล้วก็เอาคาสอนพระพุทธเจ้าถ้าทําในได้ลักษณในนี้พระท่านนะ แต่ถ้าบอกว่าไปเฝ้าจริงไงแต่ว่ามันไม่ได้คข้ควรไม่ได้คิดไม่ได้ปลุกความรู้สึกอะไรต่างๆไม่เกิดขึ้นก็้วเขาจะไม่ด็นครั้งนั้นพระพุทธเจ้ากัฒนามาว่ากรุง เ, วเวทวเกษตรบุบัติเกิดขึ้นในโลเพระโพธิสัตว์ของเราบังเกิดเป็นกษัตริย์ในนครกรันทกาทรงบัฒนามาอตตีเทวส่วนเมตยะโพธิสัตว์บังเกิดเป็นปุโรหิตผู้สัง่งสอนอคตธรรมของพระองคนน์นามว่าสิริคุตตะ ก็สรุปแล้วพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ตอนนั้นที่เป็นพระโพธิสัตว์และพระเมศจรย์ น, นี่นะที่จะมาตรัส ก, ก็รู้เป็นพระเมศจรยพ์พ ร, ร, ร, ร, ร, ระพุทธเจ้าหรือพระสิริญาเมตไพรก็เป็นพระโพธิสัตว์เหมือนกันชื่อว่าสิริคุตตาแต่ว่าสิริคุตตาเนี่ยปาสนาเป็นพุทธเจ้าในยุคนั้นยังไม่ได้รับบุญเรียงก่อคิดไปใหญครั้งนั้นพระรพระพะเทพวัคคุตเจ้าเสด็จไปยังสถานที่ ท, ทรงแสดงธรรมาจักร อันอยู่ใกล้กับพระนครพาราั ก, ก์ที่คุตตาปโปริบได้พารณาพระคุณของพระพุทธเจ้าให้พระเจ้าอติเทวะทรงสดับเป็นอนเนกก็แปลว่าอุ้ยพารณาพระคุณให้กับพระพุทธให้กับพระโบรมทิศหรือพระเจ้าขอปัจจุบันตอนเป็นี้พระบรมทิศดิศข้าแต่มหาราชพระพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลสูงสุดในโลกสเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่เพื่อกูลแก่สัสตว์ทั้งหลาย พ อ, องค์ทรเป็นพระอรหันต์เป็นพระสุคตเป็นผู้มีพระคธรรมพระคัธรรมมาจากคำว่าพระสวามีผู้มีพระคธรรมเนี่ยบางทกีก็แปลว่าเป็นผู้มีส่วนมีส่วนแห่งสถิตฐานสมมติฐานอิทธิบาทเป็นต้นเลย อย่างนั้นเขาเรียกว ม, มีพระคัตธรก็ภารณาคุณของพระพุทธเจ้าให้กับพระวโพธิสัตว์ได้ฟังนะบอกว่าถ้าผู้มีพระภาคเจ้าเป็นบุคคลสูงสุงสดในโลกแสดงุบัติเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์นเพื่อกูลแก่รสรรพสัตว์ทรงเป็นพระทหัา์เป็นพระสุคตเป็นผู้มีพระัตธรมเป็นผู้จบฝั่งแห่งโลกคือการมาโลกกลุ่มมาโลกกลก่มมาโลกนึง ถึงพร้อมในวิชาแดและเจรน า, าสิบ้าเป็นผู้ประทานอุบายถึงวิมุตตคือธรรมที่บ่มวิมุตต์ดังนี้พระเจ้าอติเทวะทรงสดับและจึงสเสด็จเป็นยังสำนาของพระพรพุทธเจ้าพระคมเทวะพระพุทธเจ้าถวายมาศการบูชาด้วยเครืร่องสกัลละเป็นนมัสตั้งะโมเออข้อใดตั้งโมโนคือตั้งใจไยปฏิทานปรนาฐานในใจว่า ในอนาคตขอให้ข้าพเจ้าได้รู้ทำเหมือนกับพระองค์จะได้ให้ผู้อื่นหลุพ้นจากอิเลนด้วยขอให้ข้ามได้เหมือนกับพระองค์จะได้ผู้อื่นข้ามด้วยวิธีคิดของพระวรที่ศักดิเดินมากอย่ทีนี้บอกเออถ้าเราข้ามฝังได้ฝังคือโอข้ามไงการโมค้าโอข้าที่โถค้าอริโชขาการโมค้าโอค้าคือการมุณ โอคาโอค่าคือพบในการมาพบรูปประพบอรูปพบเนี่ยที่โธค่าโอค่าก็คือทิฏฐิฟังเห็นผิดอวิชชาโอค่าก็คือความห ล, ลง verändert. ความไม่รู้ตามความเป่นที่โอค่าคืออุปมาเหมือนกระพุ่งนะฉะนั้นถ้าข้ามมราชนาข้ามข้ามอะไรข้าโอค่าข้ามว่าถ้าเราข้ามได้ลดราชนะให้คนหนึ่งข้าม ดิสศาสนาคอยข้ามได้เหมือนพระองค์จะได้ผู้อื่นข้ามด้อันนี้เป็นมนโนปณิธานของพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราตั้งแต่ยังไม่ได้รับพุทธญาณตอนในสำนักของพระิีนองค์เพราะตอนนั้นไปคิดในใจแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็ก็ไม่ได้รับพยากรณ์มาแล้วแต่ทรงมางเกิดร่วมสมัยกับพระเมตยาระพโภธิสัตว์มีแต่นี้ส่วน อันนั้นเรื่องที่ท่านท่านเล่าเอาไว้ว่าเออว่าแต่พระพุทธเจ้าของเราองค์จริบาลหรืท่านบริพิพานแหละแต่ที่จะมาตรากางหน้าเนี่ยแปล ว, ว่าท่านเคยเกิดร่วมสมัยคนอีกคนนึ่ปไม่ใช่เป็นเดนอีกคนนึงเป็นบุโรนะท่านจะเคยจ้างบารมีร่วมกัน น, นี่นี่สังสารวัตรก็เป็นเหมือนค น, นที่มีบุญทั้งหลายเนี่ยระดับคล้ายๆระดับสูงทั้งหลายเลยมากเขาจะวนเวียนวนเวียนใกล้กันในี้ส่วนใน ว่ารวงสาัชชาตกในปัญญาสัชชาดกอันตะขาท่านจะเล่าบอกว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสมัยยังเป็นพระโพธิสัตว์ได้เคยเป็นพี่น้องร่วมบูทรร่วมท้องเดียวกันกันกนกบพระเมธยโพธิสัตว์ตรตงนี้เราพอสเกตหน่อยก็เลยคือในอดีตเนี่ยนะนี่พระมังเบลมารดาสัตนาว่าพ่อองสาที่ละพระโอรสราชสมบัติในครูสานาพร พระองค์ขาธิราชจะต้องมีอัครมเหสีนามว่าพระนางสุริยาราชเจียวีพระนางสุริยาราชเจีวีเนี่ยมีพระราชโอรสสองพระองค์นะพระองค์ใหา่ก็นามว่าเขาวงคสุริยะมาศกุมารซึ่งก็คือพระเมธยายาพุทธเจ้าในอนาคตพระองค์เล็กระนามว่าเขาวรวง์ราชกุมารก็คือพุทธเจ้าของเราองค์นั้นแสดงว่าเกิดเป็นที่น้องพระเมธยายาจะเป็นพี่ พระบิดาเจ้าของเรารในยุคนั้นเป็นอะไรทั้งสองพระ อ, องค์สมบูรณ์ด้วยบุญลักษณะมีพระรูปผอมงดงามเปที่น้าทักนาหน้าดูมากคนมีบุญจะเป็นยางี้เกิดมาล้างนะและว้วก็เกิดในสิ่งแวดล้อมดีๆพวกเราในเกิดมาในสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยดีเท่าไหร่พรจะติดรถเราะจะนฝ า, า, ายมันก็แย่เลยในคนคนที่ไม่ว่าวนไปเลยย่างเงี้นะ เวลาเกิดมาพุ๊บเนี่ยสิ่งที่ต้องเจอกระสนดหนาคือหาหาของใส่ท้องปรกาศในการที่จะฟังคำต้องพึ่งปฏิบัติแทบจะไม่มีนะนี่เป็นเรืีเยดะแยะคนที่เขามีบุญทั้งหลายเนี่ยเว่าเกิดมาพุ๊บเขาก็โอ้ไม่ต้องนขนฝายอะไรทั้งสองพระองค์เนี่ยรักจงรักคักดีต่อพระราชบิดาทั้งอุตสาหากรรมราชกิจของพระราชนิดาจนไปที่โปรดการ พระเจ้ า, าวงศสาธิราชนั้นเนี่ยยังทรงมีพระโอรสประสูติจากพระนางกาไวเทวีเมื่อเหสีร้องโลงหนึ่งคือไวยทัตตะกุมารแต่ไวยทัตตะกุมานทรงมีจิตกระด้างหยาบช้าค า, ารุนวา่ายะไม่ใส่ใจในราชกิจชอบแต่คมเห็นชาวประชาชาวบ้านในเดือนรอนหนึ่งที้ชาวพระนครก็ประชุมกล่าวโทษไวยทัตะราชกุมาร ให้กับพระราชาสงฆ์พระราชโองสากีราชทราบเรื่องแล้วก็โกรธพิโรจน์เนี่ยนะตัดว่าเจ้าวัยทัตจักกุมารนี้เป็นคนพานว่าย่าจะรักษาวงตระกูลไว้ไม่ได้สมควรจะยกให้เป็นทาารับใช้สองประเทศชาตเพราะพระราชกุมารทั้งสองนั้นสมควรสืบสันติวงศ์ฝ่ายพระนางกาวัยยะเทวีได้ฟังพระราชดำรัสของพระ จะเป็นดินอย่า ง, งนั้นนะก็ตกระไทยหวาดหวั่นกลัวมากกลัวว่าโอรสของนางจะเป็นอันตรายจึงคิดอุบายจะให้สองวะกุมารในต้องลี้บัตรจากราชบัลลังก์จึงตรัสเรียกกุมารทั้งสองให้เข้ามาในห้องที่ตนใช้เป็นที่บำเลอพระราชาแล้วก็สวมกอดพระราชกุมาร เ, เหมือนกับเสน่หหารักใครทำอุบายตรัสว่าัยทัตตะ ก, กุมาร น้องของเจ้าเนี่ยว่ายากสอนยากไม่เอาใช่ไหมทำให้พระราษรีดาโกงเห็นทีจะได้ความลำบากกุมารทั้งสองนเนี่ยนะสั่งว่านางวัยทัตะยังเป็นเด็กเป็น้องนะเนะยปัญญายังน้อยจะถูกพระราษฎรีดากริ้วด่าบริพาศขอพระมาณดายอย่าเศร้าโศกเลยพระนางกาไวยเทวีก็ทาทีรักใครกุมารทั้งสอง ที่ <Billie S 2> อยู่มาวันหนึ่งสองวันนะพอพอรวงให้ตายใจแล้วนี่ยคันแล้วในวันหนึ่งพนันานกาไวทีวีก็ตักเรียกสองกุ klar, ้งมาไม่เข้าไปในห้องให้กระทับบนที่นอนแล้วตนเองก็ส่งเสียงร้องเนร้องพรักงานก็ถูกสองกุมาในขมเขี้ยวก็ไปทูนพลาชัยเก็ไปทูนเทเททุนเททูน กาถูกสองกุมารในนั่งทับเอ า, าผ้าปิดปากบีบอไม่ร้องแล้วก็ได้รับความละอายาหากไม่กรุณ า, าก็จะ จ, ะจะัดฆาตฐานพระเจ้าวงศาธีลาทรงประดับคำของอาสัตของมเหสีเราครอบตูรับสั่งให้เพชฌฆาตจับสองกุมารเนี่ยมัดแขนไถ่หลังสองกุมาร ก, ก็ต้องส่งพระโสวเสียงเรียกร้องให้ามาดาช่วย ถ้าคณมเหสีสุริยาลาดเเทวีสดับแล้วก็ตกไประเไทยร้องให้ก็เสด็จใจเฝ้าพระเจ้าฤษีทูลบอกว่าพั้เหตุที่ที่จับว่ากุมารทั้งสองนั้นพระบรมการศักดิ์ตาที่ลากเบอกว่าบอกว่าโดยเจ้าเนรยินชั่วคนลูกของเจ้าจึงเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนพาก็เล่าบอกว่านางกาไวเขาช่วยเลี้ยงดูด้วยจิตใจกรุณาน ควรจะตอบแทนคุณแต่กับอักขันยูเ น, นี่ยลูกคุณของเหงสื่อไปทายหน้าก็จะฆ่าเราจะจินราตสมบัติจากนั้นก็รับสั่งให้เพชรข่าแต่นำกุมารทั้งสองไปเคี่ยนคนละแปดสิบตีแล้วก็ผูกพสอเอาไปประหารยุวิชัยปัจฉิพเพชรข้าก็นำสองกุมารไปตามพระราชองค์การฝ่ายพระราชมารดาเนี่ยสุริยาราชเทวีเนี่ยก็วิ่งไปสวมกอดแรกจุกุมารทั้งสองนี้ แล้วก็ร้องไห้บนเทอเนี่ยบอกว่าพระราชกุมารทั้งสองก็ร้องไห้ด้วยอนกันก็สกรเสริญคุณของพระมารดาเนี่ยแล้วก็คูณเตือนพระมารดาให้ทรงปฏิบัตริราชกิจอย่าหลงลืมประมาทแล้วก็ขอให้พระชนมายุยืนยาวเข้แล้วก็บอกว่าได้แม่อย่าอย่าลืมในการบำเพ็ญกุศลอย่าประมาทนะเข้าความประมาทเป็นทางแห่งความตายก็บอกแน่เลยชีวิตของสัตว์เลี้่งยืนจําต้องอย่าต้องตายาอะไรต่างสารสอนเอง เงินที่พุทธเจ้าเคยสอนเอาไว้ก็คือก็เอาคําสอนของพุทธเจ้ามาบอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีโรคกลับมามีโรคเบียนเบียนอันนี้คื อ, อ น, นี้พุทเจ้าตรัสไว้ถือว่าคนเราเนี่ยนะแต่ก่อนก็ไม่มีโรคภัยอะไรเยอะใช่ไหมแต่ในที่สุดยินเดียวก็จะต้องมีโรคภัยมาเบียดเบียนเขาบอกว่าร่างกายเนี่ยที่ไม่มีโรคก็กลับมามีโรคมาเดียดเบียนสัตว์ทั้งหลายมีชีวิตอยู่แล้วก็ตายสังขารทั้งหลายเป็นองไม่เทีย่ยง มีอยู่ในโลกนี้เป็นธรดาสามประการนี่นะสอนอสเตรียเกินไปแล้วจุดมารดาเมื่อพระราชามารดาและราชบุตรทั้งสองเนี่ยร้องไห้กันอยู่เนี่ยเพชรข้าก็ฉุดข่าสองพระบุมารไปจากพระหัตถของพระอันตเมเยสีพระราชาเทวีก็เป็นลมคือสลบนาทีนี้นางข น, นมทั้งหลายก็อุ้ม อุมนางเนี่ยขึ้นไปในปราสาททำให้คุยขึ้นมาแล้วกะร้องให้ก็ดําหลีกว่าจะช่วยราช บ, บุตรราชราชบุตรเนวินไปนจริงให้นางกำนันเนี่ยะและคนสนิทเอาทองคำเนี่ยไว้ด้วยความบอกว่าเอาทองคำเนี่ยหนึ่งพันตำลึงเนี่ยไปติดถึงบนเทเกชาให้ปล่อย ให้สูงบนยังมีทุกยุคทุกสมัยเพราะว่าศึกษาประวัติศาสตร์ก็ไยุคไหนทการติดถึงบนทุกเรื่องนี้หมดเลยทุกแล้ทุกองค์การได้ไงเออแม้แต่ไ ม, ไม่ต้องอะไรหรอกแม้แต่เวลาเราไปหามหมอคนไทยเนี่ยเขาก็จะนำก่อน ของอะไต่างๆมันจะให้หมอไปให้ท่าจะมีคนจัดคิวใช่ไหมคนที่จัดคิวทราก็ลังเทิดดูโอ้เนี่ยเขามีแบบนี้ไงเออเขามีประเภทที่ว่าถ้ามีใครเอาของอะไรต่างๆมาให้ดีเค้จะได้คิวแรกมันนีมียอมอยู่คนเพราะว่านั่งเล่าไปกรั้งก็ดูวันนี้ผมเดือดจังเลยผมนี่มาเสียบเบอร์แรกเลยก็ระเดีเ๋ยวเขอจะเรียกเลย ผมก็กดไม่เรียกแจ้วบอกว่าเนียเแ้มาเข้าสามายกลายเปมาอยู่นู้นลยยองมาทีสี่แจ้บอกไม่มีใครเสียบเลยผมนี่เสียบเบอร์แรกเลยเลแล้วไปดูก็จะเรียกผมเนคนรกผมก็บดได้คนที่สบหกาก็มาทีการอะบอกว่าอยากจะได้เบอร์แรกไหมเนาะเาบอกละกันเองเรียกคนคนนี้ นะฮะคือของอเปแง่เลยว่าแล่ว่าของเราฝากเแต่เพื่อจได้ต้นตอเลยมียอดผู้หญิงเยอคนแกก็เปลี่ยนไปเลยเคนมีสตางค์เยอะกลาแกัมานี่โอ้โหแกไม่ต้องไปลาบากแค่ขนไม่อะไรตัางแค่ไม่โดนเยแกไปนั่งคุยกับหมอเใแค่เดินเข่า า, าเดินต่อพพยาบาลอะไรต่าเนี่ยจะต้องทาอะไรต่างกันห ม, หมดา้าไปถามว่าทำไมจะต้องไปบอกเขา่องว่าหมอก็นัดมาแล้ว เ, เรื่องพยาบาลดวยพาบาลพยาบาลเจอแปลกหนิถิ่นบนมีทุกช่วนี่ก็ไมแกไม่แนนะ่นี่ก็ก็เกิดถิ่นบน ทีนี้พอพอติดสิ้นบนแล้วเนี่ยนะแล้วก็ด้วยความโรคคือนั้น น, นั่นนะเขาก็พาราชกุมารทั้งสองออกไปนอกมาถอนแล้วก็อาโจรมาค่าแคือโจรยังไงก็ต้องการอยู่แล้วใช่ไหมก็โจรที่มีโทษหนักมาฆ่าแล้วก็ในเวลานั้นหมาก็นางก็ให้นางกําลันคือพาราชกุมารทั้งสองมาแล้วก็ด้วยความรักนะแล้วก็ทรง มอบอาหารแล้วก็ให้กับคนที่เขาช่วยเหลือพร้อมได้ของอะไรต่างมีค่าแล้วก็ให้แลกเปลี่ยนชีวิตสองพระกุ ม, มารทรงกราบพระราชมารดาแล้วเนี่ยบอกว่าถ้าหากลูกยังมีชีวิตอยู่ภายในสามปีจะกรับมาฟังทุน น, นี้แล้วก็เลาดเดินทางตามทางกันดานจนถึ ง, ถงต้นไทรใหย่ ทีนี้พอถึงต้นใจใหญ่ น, นี่ยนะก็ไป mm. นอนพักทีนี้ในขณะที่นอนพักก็มีไก่ยอยู่สองตัวอันนี้เป็นชาดกไหมไอ้ตัวหนึ่งสีขาวไอ้ตัวหนึ่งก็สีดํานอนอยู่บนต้นไม้นั่นนะกลางวันก็ออกไปหากินยังไม่คาลงก็มาไอ้ไก่ขาวก็มาถึงก่อนก็นอนอยู่ที่สูแต่ตัวขาวเนี่ยนะไอ้ตัวดํามาที่หลังก็ต้องจับกินต่ำกว่า ก็อนอนอยู่ข้างล่างเพราะเวลาปัดชิมแม่ยามเนี่ยไก่ขาวก็ขันไก่ดาฟังแล้วก็หาว่าไก่ขาวที่ดูดีกล่าวว่าออเอะเอ็งมีคุณวิเศษอะไรถึงได้ไปนอนบนที่สูงใช่ไหม ม, มันมีมานะ <c oughs> <c oughs> ไก่คือมานะ <c oughs> แล้วก็บอกว่านอนไม่นอนปล่าวงปยไก่ัน่นก็พูดอยาบหยาบเนึ่นยอกว่าปวยขี้ดีนลงใส่หัวเรา ไอไก่ขาวก็บอกว่าเราเดี๋ยมาถึงก่อนแล้วก็ต้อนอนที่สูงเจ้ามาถึงที่หลังก็นอนที่ต่ําก็ถูงแล้วเจ้าจะมาโกรอะไรเพราะว่าคุณพิเศษของเราก็มีอ่คุณพิเศษของแกมีอะไรบ่าองถ้าใครจะกินหัวใจของเรามาตายเ ม, มื่อเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยเขาก็จะได้เป็นไปเจ้าจะบเอาก็เจ้าเรามีคุณพิเศษอะไรไก่ไดันอกว่าพูดไดกินเนื้อหัวใจของเราเขาจะสามารถยกหลักศวลาขึ้นแล้วก็ฆ่ายักษ์ใจได้ ขื้นได้เป็นรอลมกระตักไก่ทั้งสองก็เถียงกันเถียงกันอยู่อย่านี้ฉลองแล้วก็เป็นไก่ประเภที่วิเซ่ใครได้ชิมหัวไกยย่แล้วเลยจะเป็นอย่าเถียงกันไปเสียงกันมาก็เกิดโศกศก็ตีกิดีกันตีกันนี้สุดตอกออกมาตายทั้งคู่เลยมีเรื่องดีนี่ทีก็พระราชากรมาทั้งสองก็ ถ้าฟังนะก็ก็เลยสบายแล้ววันนี้ก็ติดไฟปิ้งไก่ทั้งสองนะพราะเชขาเนี่ยก็กินพี่ชาเลยก็กินเนื้อหัวใจไก่สีขาวพรานนุชาก็กินเนื้อหัวใจไก่เป็ดำพระวะวงเพราะเพระวรวงมุนุชากล่าวว่า เราทั้งสององค์มีบุญเนะเบื้องหน้าองค์จะได้พบพระมาณยาไปแน่แเก็คิดอย่างเงี้ยไะตรัสแล้วก็เสด็จออกจากที่นั่นแล้วตัดซ้นจอไปประมาณครึ่งเดือนก็มาถึงเมืองไอยา마ทั้งสองพระองค์จึงเสด็จเข้าไปครับแล้วก็บรรทมหลับอยู่ที่สาราหลังหนึ่งภายในนครนอกนครสมัยนั้นก็ะสัดคู่ทองกรุงไอยามาสวรรคนคตได้เดวัน แต่ว่ากระสาตรงเนี่ยไม่มีพระราชารถแล้วก็ไม่มีราชพิดาคือสันติเดียพอกรรมหมาด ก, ก็ได้ไประชุมปรึกษากันว่เสี่ยงโชคไหมโการให้ราชรถเนี่ยวิ่งไปแสวงหาภูบุญวมดถ้าราชรถไปหยุดตรงไทยเนี่ยก็จะเชิญผู้นั้นมาขึ้นกองราชด้วยนะตกลงกันอย่างนี้แล้วก็ปล่อยบุตรยาราชรถวิ่ง บุตรยาราชรสกมาหยุดอยู่ตรงที่สาราที่กุมารทั้งสองก็หลับอยู่ทําประทักษิณสามรอบพุโรหิตผู้เป็นประธานและพิจารณาดูลายลักษณะพระบาทคนที่มันนอนอยู่างนะี้นะเมื่อลักษณะดีก็ร้องประกาศว่าท่านทั้งหลายท่านผู้มีบุญมากอย่าว่าจะาจะคลองราชบัลลังก์ในทวีปเดียวเลยถึงราชบัลลังก์ในทวีปใหญ่ทั้งสี่ก็สามารถที่จะปกครองได้ว่าแล้วก็อุ้มเอาพระราชกุมารองใหญ่คือพระวงคสุริยมนัน พาขึ้นบ้านขนา้ารถสต็มยพระราชตัวยังหลับอยู่เลยนะปมไปแล้วก็ให้บรรทมเหนือพระแท่นที่มีสิรในปรากาศเมื่อพระวงุริยมาตตื่นบรรทมก็ทรงเห็นคนเป็นอันมากมีราชทูตโรหอิตเป็นต้นมากมายก็เสด็จประทับหนะ้าโปรหิตปูนให้ทรงทราบว่าปราสาทของข่าวงทั้งหลายสวรคนไี่ีราชทู ขพระ อ, องค์ทรงปกครองสมบัติในพระนครพระองค์สุริยมากระถามว่าพวกท่านพาแต่เราเรามาก่า น, น้องชายของเราไปไหนเล่าเหรอเาราชตำรวจโทรว่ายามมันคมหลับอยู่ที่สาราก็ทรงพิสูจาบอกว่าเราสองคนเนี่ยพี่น้องพระธาตุจากมารดาดีดาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาท่นไหนพวกท่านจิงทิ้งน้องเรา มาอาพาไปล้องมาพวกอามาจะทูลรับว่าจะไปเชิญเด็จมาถวายแต่เมื่อพวกอามตะพาไปแล้วก็ไม่พบในี่ที่สลาเนี่ยก็ไปพบก็พากันเที่ยวค้นหาจนพวกก็ไม่พบจึงกลับมากราบทูลให้พระองค์สุริย ม, มาศสูงข้าพระองค์สุริย ม, มาศ ก, ก็ก็ร้องไห้ก็ท่านแสงเนี่ยนะแล้วก็ทรงเป็นห่วงน้องชายท่านุชานพวกอมาะก็กราบทูลว่า ขอพระ อ, องค์สั่งให้สร้างพระลาและเขียนภาพจำเดิมแต่พระราชนิดาให้พระเจาคจับมัดพาไปประหารชีวิตจนกระทั่งเสด็จออกจากพระนอนบรรทอนอยู่บนสลาราชหลุยก็รับเอาแต่พระเครฐ์ทามาสลาแล้วก็ให้ส่งถ้ำลูกทองจำลองให้เห็นคับพระ อ, องค์ประดิษฐานไว้แล้วประทรงให้บริจาคทานแต่คนอนาถาทุกคนก็ทำแล้วหากพระ อ, อนุชาของพระ อ, องค์ยังมีพระชนอยู่ สเสด็จมาเห็นภาพนั้นเท้าก็จะอดกั้นความโศกไม่ได้แล้วก็จะกันแสงคือร้องไห้ถ้าพระองค์ทั้งพวงก็จะได้ทราบว่าคุณนั้นเป็นอนุชาของพระองค์งตรงนี้ก็ก็ทําไปรักกันไฟถ้าอนุชาวารวงเนี่ยนะตื่นมันอมไม่เห็นพระเชิดาก็สเสด็จออกจากบรรณาสราเที่ยวค้นหาร้องไห้ก็ลํำพันธ์ไปตามที่ต่างๆว่าเราพี่น้องข้าๆจากคำมารดานเนี่ยจะรับความเดือดร้อน ได้เป็นเพื่อนกันสองคนแบบนี้มามาทัดท่ามาอยู่คนเดียวเนี่ยนะเราจะได้อาหารแต่ที่ไหนถ้าเราตายใปพรเชษฐาเขาไม่ทราบเนี่นะหรือพระเชษฐาเนี่ยก็คงถูกเสือกับกินแล้วมันก็คิดไปในลัทธินาอย่างเงี้ยก็ก็ก็ก็ไม่ไม่ไม่เจอกันทีนี้อยู่ต่อมาเนี่ยก็บอกว่าหรือว่าจะมียักษ์เนี่ยพูดผีปีศาจกินเลยแล้วก็คิดงั้น แต่ถ้าถูกสัตว์ร้ายกินก็คงจะมีซ่าผห่ือเห็นหรือว่าประเชศดขาทรงจะกังวลในตัวเราจะพักไปด้วยความหนักใจทีนี้ว่าก็พระพิจารณาอย่างนั้นก็ได้รับความทุกข์เทวโร ว, วงราชกุมารขันทรงบรรเทาความโศกโดวยเขาปีชายานในพร ะ, สะเสด็จเที่ยวไปตามทางโดยไม่มีจุดหมายว่าแล้วพร ะ, สะเสด็จเมื่อจะไในเวลาบรรทมก็บรนทมในป่าก็มีหมู่เทพยูดาในคอยรับอารักฐานเต็นบังคมและก็เที่ยวไปเวลาเย็นพร ะ, สะเสด็จถึงบ้าน มีวันหนึ่งก็ไปถึงบ้านของโลพันธนะเศรษฐก็เข้าไปหาอาหารที่นางทาสีก็ตัดบอกว่าเห็นคนหลงทาง ม, มานางทาสีมีใจกรุณานก็เอาเอ า, เอาภาชนะใส่ดินแต่ภาชนะดินในใส่อาหารให้ให้กินแล้วก็บอกว่านางเป็นคนจนนะบอกว่าใต้หรือเทียนที่จุดให้แสงสว่างก็ไม่มี พ่อจงกินอาหารในที่มืดเพราะโพธิสัตว์จะทรงรับอาหารแล้วก็เสด็จสัทพ์นั่งอยู่ที่ที่สุดแห่งท่านแล้วก็เพื่องแก้วมณีมาวางไว้บนภาชนะแล้วก็เสวยอาหารแสงสว่างแก้วมณีนั้นน่ะนางทาสีเห็นแล้วบันไกว่าชายเนี้ยได้ ใ, ใต้หรือเทียนที่ไหนมาจุดจึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆเห็นเป็นแสงแก้วมณีก็เรียกไปบอกโลภันทัสสโดยปกติเป็นคนตกอยู่ในอำนาจของความโลภอยู่ในเศรษฐีเนี้ย ได้ฟังคําของนางทาสีแล้วก็ยินดีเรียกาพาดกรรมกรมาเป็นนันมากสามให้จับพระโพธิษัตวจับได้กับไีทําโทษก็กล่าวหาวมีดวงโจรนะพวกนั้นพอรักเอาแก้วมณีของตอนมาแล้วก็ชิมเอาแก้วมณีนั้นไปแล้วก็เอทบุกพระสอของพระโพธิสัตว์แล้วก็พาพระโพธิสัตว์ทรงได้รับทุกขเวทนาตรัสว่าเราได้เราไม่ได้รักแก้วมั น, นท่านแก้วมณีนี่ เป็นมันของมันดานของเราพระโพธิสัตว์เขบอกอย่างเงี้ยแต่ถ้าท่านอยากจะได้ก็ไปจะมาทําให้เราลําบากทํามันเศรษฐีให้จองจําพระโพธิสัตว์โวยโซ่แล้วก็มอบพี้ยาตไปพระโพธิสัตว์ได้สเสวยทุกเวทนาแล้วก็อดอ า, าหารในวาระความลำบากต่อมาในทิดาของเศรษฐีเนี่ยเนี่ยชื่อวนางคาราวีเห็นพระโพธิสัตว์ได้รับทุกเวทนาอย่างนั้นก็ก็เกิดสงสารวไม่ใช่สงสารอย่างเดียวก็เกิดเกิดความรัก น, นี้ก็เรยเคตานิวนปกเทาเานิวเพืเเ่อเเ็นปุ๊บแล้วชอบเลยนะอันนี้ไม่รู้ไม่ไเจอยัเีว่าก เ, าาเ <c oughs> คนวาสเทเซเน่มีสองอาการหึ่งุ๋ยร่วมกันมนาะงปัจจุบันเพื่อเพื่อนนี <c oughs> เี่ไงคุณจามันก็เป็นอย่างนี้บาั้ก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรต่างถ้าเราเลือกชาติกันได้มันลือกเลยใช่บอกออชาติีแล้วเป็นพ่อเป็นแม่อมาชาตินี้มนเป็นผู้ครองชาติีแล้วเป็นศัตรูกันอย่างอ้าวชาติีแล้วเกิดเป็นสัตว์อรานชาตินี้มาเกิดเป็นนางงาม่อสมงว่ ก็เป็นก็เข้าไปกราบไหว้วิงวอนบิดาให้เกพระกพธิสั้วบอกว่าจะได้ทำบาป ก, กรรมเลยให้ทุกข์แก่คนอื่นความทุกข์นั้นจะกลับมาสึงตนนะท่านเศรีฟังแล้วโกรธเลยด่าพิด า, ดาไฟตม้มเอาผูกสมัมารักให้กับจนทำให้บิดามาันได้หานางทารวีถูกบริภาคด่าว่าได้รักความมาม า, ากลับไปในห้อง ก็สั่งนางคาสีคนสนิทให้เอาเงินไปให้พืชวณควบคุมไม่ให้จองจำพบะโพธิสัตว์ผู้คุมรับเงินแล้วก็แก้เครื่องจองจำพบะโพธิสัตนางคาลาวีก็ได้จัดขนมและอาหารไปเลี้ยงดูพโพธิสัตว์ในห้องขังด้วยพระโพธิสัตว์คิงทรงได้รับความสุขต่อมาเศรษฐีเจริค้าขายเมืองอื่นก็จัดแจงสิ่งของมรรทุกเรือสมเผ่า ก็พาพระโพธิสัตว์ไปในรถเที่ยนางคารวีสร้างพระวีวรมีดาขอไปด้วยบิดาก็โกรธด่านางอยากได้สามีเริงยนนางจึงแก้ว่าฉันต้องการจะไปรับใช้ท่านะกัท่านบิดาแต่การเดินทางไกลอาจจะเจ็บป่วยจะได้มีจะได้มีคนสนิทเจษฎีฟังแล้วก็พอใจออกอนุญาตเลีนยทีนี้พอถึงวันเลือกดีเนี่ยโลภันทะเจษฎีก็ ออกให้ออกเบือเพราเวลาจะออกเลือกันก็จะดูเรื่อยยุคก่อนก็นเป็นอย่างนั้นถ้าดูเรื่อยค้านาทีว่าจะออกเวลาเท่าคนในปัจจุบันนี้ก็ก็มีเวลาคนก็จะปลูกบา้านก็ไปดูได้รับแบบนี้เขาจะดูว่าเออปลูกยังไงดูเรื่อยเนี่ย ถ้าสมการทั้งหมดไม่อาจจะทําให้เรือลำเบาเคลื่อนที่ได้ท่านเศรษฐีก็ให้พระโพธิษัตวถือธงขึ้นเป็นบกที่หัวเรือพอพระโพธิษัตวโบกธงขึ้นนล้วเรือสํเาเบาก็เคลื่อนคนทั้งปวงเห็นพระโพธิษัตว์ก็สงมานะเมื่อเศรษฐีไม่อาจจะหาเหตุฆ่าพระโพธิษัตว์ให้ตายได้ก็เกิดความไม่ชอบใจเพราะความวิตก น, นี้อีกต่อมาเรือลำเบาแล่นไปในมหาสมุทรได้หลายวันก็บรรลุถึงท่าเรือ ถารือเมืองกรุงรันครนี่ในนครนั้นมีสระใหญ่มีเสารประคมศิลาที่อยู่กลางสาระนั้นก็มียักษ์สิงอยู่ยมีอักษรจารเล็กไว้ที่เสาบอกว่าผู้ถอนเสาศิลาไม่ได้จะได้พระขนที่สามารถฆ่ายักษ์แล้วก็จะเป็นผู้มีบุญๆๆทั้งโคกํำหนดสามปีน้ำในสระนั้นก็เกิดเป็นน้ำากดมียักษ์เกิดขึ้นจากเสารประคอ พระคนศิลานั้นมากินกระสับที่คลองนครนั้นเสียกระสับองค์ใหม่ทรงคลองราชช่วยสมบัติได้สามปียักษ์ก็มากินตายเลยกริย์องค์อื่นก็ทรงทรงแทนเป็นองค์ที่คือแปลว่าในเมืองนี้มีกษตระสับมาคลองได้สามปียักษ์ก็จะมากินสามปียักษ์ก็มากินสมัยนั้นกระสับคู่ครองนครคุรานครพระนางว่าพระเจ้าสุภาบ้าน โลพันทัเศรษฐีให้คนเชิญเครื่องราชบรรณาการไปถวายพระเจ้าสุภาบ้านผู้สาราเห่กลับหัวหน้าข้าบาทจับโจรได้คนนึงนนึนำมาถวายข้าองค์เนี่ยพระเจ้าผู้สารา ก, ก็ทรงสดับก็ตำหนิว่าอีกเจ็ดวันเนี่ยเราก็จะถูกยั์กินตปแล้วอย่างนั้นเลยเราจะตั้งตัวนี้ไว้ในราชสมบัติ ยากจะได้มาถึงจะได้กินโจรนี่คนก็เอาแล้วเอายากให้ถึงกระสับก็เลยเพื่อเอาของเข้าไปเอาโจรนี่ไปกระสับครั้งตั้งรีอย่างนี้แล้วก็ให้ราชชั้นบุตรเนี่ยนำโจรนั่นมาแล้วก็ราชบุตรกัจุดฆ่าพระโพธิสัตว์ออกไปรลื่อนแล้วเทานี่แล้วพระโพธิัตว์ก็ร้องไห้ก็ดำเนินตามราชบุตรไปนางพาลาวีเห็นทางนั้นก็โศกเศร้าว่าสะลบเนี่ยนะพวกราชชั้บุตรพาพระโพธิสัตว์ไปถวายพระเจ้าสุด คู่สาราพระเจ้าผู้สาราทอดขณีเห็นรูปสมบัติของพระโพธิสัตว์ก็เลื่อนสายตราต่อพ่อเื้อเจ้ายังหนุ่มงดงามเทไหมมนมาเป็นโจรไม่ละอายเลยพระโพธิสัตว์ก็กราบเอว่าข้าพระองค์ไม่ได้เป็นโจรแล้วแก้วมณีนั้นนะพมารดาของข้าหรงประทานให้แต่เศรษฐีชิงเอาแก้วมณีของข้าหลวงไปแล้วก็ใส่าความบอกว่าข้าพระองค์แล้วก็จองจำข้าพระองค์เลยโซ่แล้วก็พามารพระราชาทรงสดับแล้วก็ตรัสว่าพ่อมหาเจริณ เราจะเลี้ยงเอาไว้เลยเราชสมบัติเพราะพอดิษฐ์ทูาว่าข้าพระบาทจะมีความทุกข์อีกมากปราก จ, จากความสุขสำราญจะคลองราชสมบัติได้อย่างไรพระราชาตรัสกว่าความทุกข์ของเจ้าเพียงเท่านี้จะเป็นอะไรไปเพราะพอดิษฐ์ถึงตรัสเล่าเรื่องทั้งหมดถวายนะพระราชาก็าบอกว่าเราสําคัญผิดคิดว่าเจ้าเป็นโจรไม่รู้เลยเจ้าเป็นวงกษ์ศัตราเช่นนะั้นพอจงไปอ่านหนังสอนที่าการเลิกไว้ที่เสาประโคนแล้วข้ายักเสีย แล้วของราชสมบัติก็บอกว่าเออให้นายไปจัดพรโพธิสัว์ก็ไปที่ใกล้เสานั้นก็อ่ า, อ า, หาอนหนังสือจารึกทราบความบอกว่าก็มาทูลพระราชาว่าข้าพระองค์อยากได้ขอพระองค์อย่าได้เส้าโสาวูว่าจงกระเสษมว่าสาลันข้าพระบาทจะถอนเสาพระโพลแล้วก็ไโปรดให้โลภันทเสดสีนําแก้วมณีของข้าพระบาทมัคือพระราชาก็ารับสั่งให้โลภันทเสดสีนําไอ้แก้วมณีที่ว่าเป็นแหวนมันคือ พระโพธิสัตว์ได้แก้มมีแล้วก็ทรงสมมนนะักดีใจเหมือนกันได้พบแม่เพราะว่าของนั้นเป็นของที่แม่ก็ยกแก่มีขึ้นขึ้นจุ่มพิษแล้วก็วางไว้บนศีรษะพระราชาให้พระโพธิสัตว์นั้นทรงน้ำตกแต่งด้วยเครื่องอลังการาาแล้วก็เสวย อ, อาหารรสเลิศชุบเลี้ยงพระโพธิสัตว์เราก็เป็นพระรจ้าโลก ทั้งถึงวันที่เจ็ดในมหาชนเป็นนั้นมากก็มาประชุมปรึกษาจะดูยักษ์หินเมื่อไร้าพระเจ้ า, จาผู้สาราถึงตัดกางให้โยธาไปนันมากให้ถอนเสาแต่ก็ไม่อาจจะถอนให้หลุดได้ก็พากาล้มสลบลงเนี่ยเลยคือคือให้ บุคคลทั่วไปจะช่วยกันไม่ถอถอนไม่ขึ้นพถอนไม่ขึ้นเนี่ยพระราชาก็กลัวนเลยตอนนี้ก็วิงวอในพระโพธิสัตว์ช่วยพระโพธิสัตว์จึงก็เสด็จไปใกล้เสาแล้วก็ตั้งสจัจจคิฐานบอกว่าข้าแต่วยเททั้งหลายถ้าข้าพเจ้าจะได้ตรัสรู้สัพพัญญูเ น, นานาคตตั้งเจริฐานเลยเนะี ถ้าจะได้ตัดทะลุเป็นพระพุทเจ้าในอนาคตขอให้เสาสีลานี้ถอนขึ้นโดยง่ายเพียงแค่ข้าพเจ้าแตะด้วยมือเท่านั้นทันใดนั้นเทพเจ้าทั้งหลายมีท้าสก่าเอวราชเป็นประธานก็ได้มาประชุมกันเพื่อจะช่วยถองเสาเอาจะกล่าวไว้พราะโพธิสัตว์เมื่อตรงถอนเสาสีลานเนี่ยพระองค์ระลึกถึงบา ร, รมีทั้งสิบทานบา ร, รมีถึงบา ร, รมีเนกมาบรบามีอะไาตัวเนี้ย แล้วก็ขอนเสาศิลาขไปเลยแล้วก็ได้พระขันเรื่องที่โคนเสานะเพระพษษารระโพธิศัตว์ก็หยิบเปลววัตถานั้นขึ้นมาโยนเสาศิลาลงน้าเสาศิลานั้นก็ทําเสียงดังเหมือนกันเหมือนคนขั้วเขาตอกเนี่นะก็ละเอียดเป็จุนอัศจรรย์ทั้งหลายก็ปรากฏขึ้นพื้นกระจีก็ทําำมนาวันวันดุจพยาช้างเมามันเนะนั้นบรรดาเทพพยาดาทั้งหลายเนี่ย เบื้องล่างไปดึบบงครมมาโลกะพากันแ้ดซองสาดูกันเวลาช้าก็ตรัสว่านั่นเป็นเพียงความสําเร็จครั้แรกยังจะมียักษ์เป็นดอกโผล่ขึ้นมาภายหลังหมดนะพระโพธต์สัตว์ก็ตรัสสติญาอธิษฐานว่าถ้าเราเป็นผู้มีบุญนะจะได้เป็นกษัตริย์ในนะคร น, นี้เราจะโยนแก้วมณีลงไปในน้าําขอแก้วมณีที่เราโยนลงไปอย่าได้จมครั้งอธิษฐานแล้วเราโยนพอโยนลงไปเลย แก้วมันดีก็ไม่จุ่อันนี้คนมีบุญเนี่ยก็ทำจ้ะเพราะว่าถึงแก้ามันดีจุ่ ม, น, มนึกถึงคนทงแหวนโลตินนี่นาวัตรโอ้อะไรถึงโอ้ไปจ้างคนจ้างเจ้างพวกผดานามมาหมดไปห้าหมึน่นตกาส่แหวนมีราค า, าไปอาหารให้ฟ้าโยนทิ้งท่าในแหวนโลสึก อันปลาแข็งเอาโอ้น้ำมันแรงด้วยตรงนั้นน้ำแรงอันนี้ไม่ลอยเลยจบคนไม่มีบุญอันนี้รอยนะเพราะบพธิสัตว์ก็ถือวอ่าขันลงไปในสากแล้วปฏิฐานยักษ์ก็เป็นดอกประทุมชาติพูดขึ้นมาเพราะโพธิสัตวไปใช้ขันเนี่ย น, นะปะาดขันดอกประทุมก็กลายเป็นยกักษ์ ถึงแก่ความตายเทีพยพยดาทั้งหลายก็คอนเ็ค okay. รั้งนั้นพระเจ้าผูสาราก็สวมกอดพระโพธิสัตว์แล้วก็ตรัสบอกว่าเจ้าให้ชีวิตแก่เพราะพระจะยกนามว่ากุลเทวีที่ดาของของของประสาทง่ายทำกานอภิสิทธิ์พระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าข้าพระบาทมีชายาแล้วชื่อว่าคาราวีก็คือลูกของเศรษฐี พระราชาระตรัสว่าเจ้าม <laughs> ีชายาอยู่แล้วก็ช่างเลยคนทั้งหลายที่มีชายาทั้งสองคนตันี้ก็เลยได้อีกคนสือสองอย่างนี้ปฏิเสธหรือเก็ก็เลยเป็นฝ่ายขวาแล้วฝ่ายซ้ายเลยแล้วก็ได้ร ให้ราชบรุษเนี่ยเชิญนางคารวีป้าๆพระจักรพรรดเจ้าและนางมาปุ่เทวีวีที่ดาของเราจงมีความเสน่ห์ห า, า, าละค่ายกันเหมือนพี่น้องแล้วก็ช่วยกันปฏิบัตรอห้พระราชาชนางคา ร, าคารนานคาวีก็ถวายรำพึงรับราชองค์การพระาาราชาก็โปรดให้ทําการมงคลอยู่ถึงเจ็ดวันแล้วก็ให้พระโพนิสสั์ขึ้นของราชกินิสา์ก็พุ้งขย้อนไปมีพระนามว่าพระบรุมเป็นผู้มีบุญมากท่ายากตายได้แล้วกของราชบรลลั พระเจ้าวะวงเนี่ยได้เดยอัญเชิญพระเสื้อมเมืองในในในพระนครนะซึ่งถูกยั์เท่ารึงขับไร่ไปประดิษฐานอยู่นะพอพขอบจักรวาลคำว่าพระเสื้อมเมืองเนี่ยเป็นเหมือนเหมือนเทวดาเหมือนคือ พอ่อยักษ์มาเป็นใหญ่พวกมิจฉาพิธีมาเป็นใหญ่ก็ขับไล่ออกไปเขาบอกว่าอย่างในในประเทศไทยในจังหวัดต่างๆก็จะมีศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองเขาก็เชิญเทวดาที่เป็นใหญ่หลังมามาม า, มาประทับเพื่อมารักษามาดูแลอันนี้ก็เป็นประเพณีเป็นมาตรามานเลยทีนี้เหมือนเหมือนเท้าจะตัวคาวเลยนะ เมือนท้าจะดูขามราลามาเทพนี่อันนี้ก็เป็นเป็นเทพรักษาศารหลักมงนะครศรีธรรมราชนี่ไม่ใช่นกรศีธรรมราชแล้วท่านมงจะต้องดูแลทั้งประเทศแล้ว น, น, นั่นะทีแรกก็ดูแลเค่เฉพาะแค่แพระเจดี พระธาพที่พระเจดี์นครศรีธรรมราชขุนพันยัมรู้คิดอย่างไงเป็นเชิญท่านออกมาให้มาดูแลเมืองนครศรีธรรมราชก็เลยเชิญท่านมาอยู่ที่ศาลหลักเมืองเอาพระยมมาอยู่ที่ศาลหลักเมืองก็เลยมาสร้างรูปเหมือนท่านขึ้มนมาเมื่อปี38 ในแต่ก่อนก็ไม่มีอะไรมากก็คือสร้างเป็นที่อะไรนึกคนหนักข้อหนักขก้าไม่รู้จะท่าไหนเลยตอนนี้ไปวัดไหนก็เจุก ข, ข่าวดุเตะผีเยอะๆคยเคยแล้วไปว่าไม่ได้เลยเนี่ยว่าอะไรเดี๋ยวก็คํานี้เอาอีกเสียดเคยเคยพูดเล่นๆนะอย่างยกตัวอย่างเช่นว่า หนึ่งแล้วตัวอย่างเช่นเนอะรวยแบบไม่มีเหตุผลนังหรือว่าอะไรนู้นมีมหาเศรษฐีนะมีมหาเศรษฐีมหาราชามห า, าอะไรต่างตางแบบนเนี่ยนี่ปัญหามันอยู่ที่วง่ามันเข้าข่ายหลอกลวงก า, างรโฆษณาที่เกินจริ ง, งนะที่ก็ก็ก็ให้ไปที ในการโฆษณาบาทีครับก็มีอ้สอสคบเนะี่ยไปควบคุมผู้บริโภคเลยตรงนี้น่าจะมาดู แ, แลบ้วงทำไมปล่อ ย, ยอทิ้งเหนื่อยงานของรัฐเอาไปทำได้ไหมเช่นก่อนทางกองทัพอากาศออกไม่ล้นเลยุ่นะ เ, เหนือฟ้ามาหาสมุทรปวกเสกบนเครื่องบิ น, บ น, บนขับไล่เครื่องใช้เอสยี่ปกมันทุมวลสาม ปลกใส่กันบนฟ้าเล้ยกวกรเสียงไอ้รุ่นรุ่นไอ้รุ่นในเหนือทะเลก็ทําล้เหนือแผ่นรินก็ทำแนีนนท่ทำเหนียวฟ้าเลยเหนียวฟ้าเหนียวฟ้าหมาเศรษฐีใช้คาว่าเหนียวฟ้าหมาเยังไม่มีอีกรุ่นยงีกะไรที่เดีเนีย รุ่นทำางนรถไฟใต้รินส่ยอาวไปออกว่ามารุ่นรถไฟใช่เพื่อทำางันไปใหญ่เลยอันนี้ต้องทำอากาศทำานเรื่องมันเนี่ยต้งทำอกาทำกักาวาหันใจไอ้ตรงนี้ก็ที่จริงเนี่ยถ้า ถ้าเราจะมองกันว่าเทวดาเนี่ยดีไหมก็ดีแต่ว่าพระพุทธเจ้าต้องมาเป็นอันดันึ่งคือให้ลองให้ลดหลั่นกว่ากว่าพระพุทธเจ้าท่าานี้ ก, ก็ก็ไม่เป็นอะไรเพราะก็เป็นเทวดาที่เป็นสมาธิสูงในยุคนี้วัน่อนรไปดูไปดูเขาบอกว่าเออื่อเทวะเขาให้เศษตะเกียบดีขึ้เนเห็นไหม พวกเงินสะพัดสี่มื่นล้านเฉพาะจะดูคำสี่หมื่นล้านแต่น้อยกว่าเงินของอดีตนายกเพราะว่ามันหมดไปกั น, นแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยก็พูดกัาคุปพูดเรื่องนี้ไดไปออกอีกเรื่องเมื่อกี้ถึงไหนตก็ถึงตอนที่ว่า พระโพ ธ, ธิสัตว์ก็ทำมุมงคลอยู่เจ็ดวันเนี่ยนะีนี้ต่อมาก็คือพระเจ้าวรวงศ์ทรงได้เชิญพระเชื้อมือซึ่งถูกยกักษ์เนี่ยขับไล่เนี่ยไปหยุดานอยู่หน้าขอบอวานมาแล้วก็ทำพิธีกรรมด้วยการสักการะใหญ่และได้สถิตสานอยู่ที่สารเพียราละก็คือเชิญมาอย่างเก่าใน่แน่ ถ้าเสื้อเมืองทราบคุณของพระโพธิสัตว์แล้วก็ปรารถนาจะตอบแทนคุณของพระโบธิสัตว์ก็ถวายแก้วมณีดวงซึ่งมีอนุภาพแก่พระโบธิสัตว์แล้วก็ล่าบทูลบอกว่าอุบายที่จะใช้แก้วมณีก็คือว่าแก้วมณีดวงนี้มีอนุภาพมากถ้าพราะองค์ในปรารถนาจะไปบนอากาศก็ต้องถือแก้วมณีดวงนี้ถ้าประสงค์สิ่งใดก็ถือแก้วมณีแล้วก็อธิษฐานก็จะได้ความตามความสมบูมณ์แก้วสารพัดนิ่ พระเจ้าบรมงบรมโพธิสัตว์ทรงรักแก้วมนันีนั้นไว้แล้วก็สวยอว่าสำหรับจิตชาแนานเชี่ยงคืนคืนหนึ่งก็ทรงหัวแ ล, ล้วเรื่ึยถึงพี่ชายลุ่งเช้าก็เสด็จไปเฝ้าพระเจ้าภูษาคูนไปเที่ยวแสวงหาพระเชษฐาพระเจ้าภูษาเนี่นะทรงสดับแล้วก็ลองให้บอกว่าพ่อจะไปเที่ยวแสวงหาพระเชษฐาปีดาจะห้ามก็ไม่ควรแต่พ่อจะพาชายาทั้งสองไปด้วยหรือไม่ พระเจ้าวรวงก์ก็ถทรว่าข่าพระบาทเขาฝากพระนางการจูมเทวีมะกรุมเทวีไว้ค่าพระบาทจะเสด็จไปกับพระนางคาลวีพระนางมะกรุฎเทวีทรงกรดับพระวาจาของพระสวามีตระลองฮะวิงวอนขอตามไปด้วยแต่พระเจ้าวรวงก์เขไม่อนุญาแตาญาแต่ว่าพี่จะไปทางอากาศจะอุ้มเธอไปพร้อมสองไม่ได้ก็แต่ว่าถ้าจะไปทางบ่าอุ้มได้คนเดียวก็เลยเลือกหนึ่งเลือก กินข้าวเลยเกินนิเดียวเราเลี้ยงไม่ยากอาจจะคนหนึ่งอาจจะคนหนึ่งอาจจะไม่หนักเท่าไหร่แต่กาดเลือกออกหาเป็นเร่งจริงๆกี่คือเลือกก็คงคือทุกยากมาด้วยกัน คันแล้วเนี่ย พ, พระเจ้าวรวง์ก็ถวายบังคมลพาพระเจ้าพุษากระพุ่มนาคารวีถือแก้วมีมีหองไปในกะทีนี้เวลาเย็นก็เท่ากันเนี่ยเสียงอาสมลงดาบทก็ลงไปเมื่อเข้าไปทักคืนดาบทก็ถามว่าเออมาได้ไหนก็ทราบว่ามาจากโคราณนครได้ยินว่ากุรานครอยู่ไกลจากที่นี่มากท่านใช้เวลากี่วันมาถึงที่เนี่ยกระซาบวันเดียวแปลกใจก็ ไม่ระยะทางไกลขนาดนี้มาเขาโทรตีสัตว์ก็ฆ่าเขาแก้ามาด้วยอนุภาค ข, ของแก้วมันดาบวตรก็คิดว่าเมื่อคนทั้งสองนอนหลับคือจะรักแก้วเลยไอ้ความโลภเกิดมันีร่อรู้เท่าขนาด น, น, นั้นก็อยากได้แล้วทีนี้เมื่อทั้งสองมันทมหลับแล้วเนี่ย ด, วด้วยความอ่อนเสียงดาบวตก็ทําเป็นเดินโยงผมไปมา ไหวใหญ่ไม่ได้การเดินยองคนค่ะการเดินชิดป่าก็มียาเนี้ยไม่ได้เดินยองค์เดินไปชิดคิดหาอุบายเลนแต่ว่าหลับเมื่อไหร่ก็จะหลับฉั้การเดินยองคมก็เดินย่องย่องอยู่กนพราพอที่สักขึ้มันหอมมาไม่เห็นแค่มันอนหลับไปแล้วก็ไม่ได้เห็นดาบัดอยู่ในซาลาก็ปกทางค ก่ดาบดแล้ว่วมายิงเราไปทั้งสองก็ผมก็ร้องไะก็ก็เด็จตปไม่รู้คนทางทีนี้มาถึงต้นใจก็ไปเจอ ย, ก ย, กยกักษ์อยู่มียักษ์เยอะตอก็ประทับอยู่ยกกักษ์เห็นแล้วก็ก็แล่นมาด้วยกหลังส่งเสียงคือก้องพระโทธิสัตว์ทอดไปเนี่ยเห็นแล้วก็ฉุดพระหัตของพญายาววิ่งยักษ์ก็ติดตามมาจนถึง ม้าสมุนนะทั้งสองพระ อ, องค์ก็ลงไปในม้าสมุนว่ายนะ้ําำหนีไปยากไม่ตามนะยักม่ที่จะตามเลพระโวดิษสานก็ตรัส บ, บอกก็บพรเทวีว่าม้าสมุนอีกว้างใหญ่นะตัวเมียอันตรายมากบอกว่าจงเจริญเมตา 10, ตาจิตไปในหมู่สาวทั้ ง, วงวมวลพวกนะั้นสองภรรยาจงเจริญเมตตาครั้งนั้นนะ่ะเกิดลมพายุใหญ่นะมาหามเมตตั้งที่ นี่ฝนก็ตกลงมาท้องฟ้าับมืดโมโนโนาการเบ็ดขั่วจนไม่สามารถกำหนดคิดน้อยคิดใหญ่ได้กระตักทั้งสองพระ อ, องค์ถูกขึ้นในมหาสมุทรสั์จนเหนื่อยอ่อนลาพัดภาจากกันลอยไปคนะทิศาทางไลยถึงพ อ, อรุนขึ้นน่ขึ้นจักพระโพธิสัตว์ไปถึงฝังพระโพธิสัตว์ขึ้นฟังได้แล้วก็เที่ยวค้นหาวิชาาก็ไม่พบ ก็ปริเทวนาการจนสลบคันฟื้นขึ้นได้สติก็ตั้งพระไทยบอกว่าพระเทวีเนี่ยคงจะตายแล้วก็สัญจรไปในป่าเจ็ดวันก็ถึงไอยา ม, มานนะครัคันนั้นดาบทที่รักย้มมารีหลวงพ่อโพธิสัตว์หนีมาห อ, อกไปสูงเกินกันมาจึงถูกลมถูกลมพัดศิสารทางไ ตกลงมาใกล้วัดนครเนี่ยพร้องนั่งแก้วมณีพ่อค้าคนหนึ่งเก็บแก้วมณีได้ก็ น, นําไปถวายพระเจ้าวงสุริยมารพระเจ้าวงสุริยมารก็โปรดให้ไปตั้งไว้ที่โรงทานไ่วยพระโพธิสัตว์เข้าไปเนียเห็นโรงทานแล้วก็เสด็จเข้าไปกินอาหารสวยอาหารเนี่ยเทีเ่ยวทอดไปเนี่ยดูภาพที่เขียนไว้ในโรงทานก็เห็นภาพว่าพระเชษฐากับแก้วมณีในห้องแรกลูกที่น้องบ้านคลาบจากกันเป็นต้น ต, ตามลำดับ เขาเห็นแค่นั้นน่ะร้องไห้ตลบเลย<_ <EN> _>คือเขาให้เขียนประวัติกันไว้ทั้นทั้งสองพระองค์ฟื้นจากสติแล้วนะทราตเล่าเรื่องที่พระธาตจากกันแล้วนี่ก้านเจเกันพระเชตฐาทรงแบ่งพระราชสมบัติขึ้นแล้วก็ประทานแก่มันมีที่พ่อค้านำมาให้แก่อ่านพูะวงศ์อันธชาตวรละวง พระนุชาพ่อทะเลดูแล้วก็ทราบว่าเป็นของพระองค์ทันแล้วก็บริษัทจึงทูลประเชษฐาว่าถ้าพระบาทจะไปทานางมะกุูดเทวีมาเฝ้าพระเจ้าวราวงศ์อีมาศก็ตั้ามไม่้ไปจึงทรงอนุญาตให้ไปพระโเอิ์พระเจ้าวราวงศ์มริษัทถือเอาแก้วมีดห อ, อกไปเมืองกุงรัตนครเข้าเฝ้าผู้สาและทรงมาเยสีทูลเล่าเรื่องทั้งบวงให้ทราบ แล้วก็ขออนุญาตนำนางมะกรูดเทวีไปเป้าไปเยีขาที่เปงนรพระทัต์อยู่ที่อิยมามัต์นางมกุูดเทวีก็ทรงยินดีเลยทนะีนี้ตอนนี้ตามนะพระเจ้าผู้สัมแม้จะทรงอะไรก็ไม่สามารถจะห้ามได้พระพระราชาทานพระขันพระอดิศร์ก็ทรงรับพระขันแล้วก็พานางมะกุูดเทวีถวายถวายพระคุลาเข้ไปทั้งสองพระองค์ก็ไปเฝ้าพระเชษฐาวงศ์โซยามาต์ไ เ้าวงสุริยมาได้ทอดพระเนตรเห็นสองกษัตริย์แล้วก็ปีติสมานะชื่นชมจึงบอกว่าขอให้มีอายุ ย, ยืน ย, ย, ยาวแล้วก็ทรงบอกให้พระมุชาถวายมาัมตตากับพระทหารด้วยท่าที่ถวายอุทิศให้ผู้ตายเพื่ออุทิศให้กับพระนางคารวีที่สิ้นพระชนในท่านการมายสนิทคายข้างพระนางคารวีเนี่ยว่ายน้ําอยู่ในมหาอุโบสถสามวันเหนื่อ ย, ยแทหมดกําลังก็ลอยไปถึงฝั่ง พอขึ้นป่าได้แล้วก็สแสวงหาพาะสวมีเ น, น, นี่ยนะไม่พบก็คิดว่าตายแล้วจึงหาใบ ไ, ไม้มาทำเป็นเป็นผ้านุ่งตั้งจิตธิฐานเมื่อใจที่เราได้เห็นบุตรผู้มีบุญอยู่ในคันของเราขอให้เราได้อาศัยคนที่พอจะช่วยเราได้เราจะได้คอดบุญได้สะดวกต่อมาก็มีคานป่าอยู่คนนี้ เที่ยวยิงเนื้อในป่าขายเลี้ยงชีวิตวันนั้นเนี่ยเที่ยวไปในป่าเห็นนางคาราวีนุน่งหงมใบไม้ก็คิดว่าเป็นปีศาจจะมาไล่ก็เราจะต้องยิงนางให้เสียก็โกงคานาโนนางคาราวีทอดเทะเลียนก็ตกใจกลัวก็ร้องห้ามบอกว่าบอกว่าฉันหลงทางมาอ ย, อย่ายิงเลยในทางที่ได้ฟังก็เข้าไปใกล้นางก็ถามเออเป็นหญิงเนี่ย ทำไมเที่ยวไปในปา่าคนเยือนนางก็ลอยทั้งสองคนสามีเนี่ยถูกยักษ์ไล่มาหนีเราในมหาสมุทอั น, นี้ก็ชายแดนคนเรที่ละทารที่คงจะตายแล้วถูกตัดในที่สุดจริงนายพานฟังแล้วก็สงสารก็ให้ท่าอาบน้ำเกลนางแล้วก็ให้ค่านู่นให้กินขนมแล้วก็ข้าวศัตรูเนี่ยแล้วก็กักบ้านครั้งแล้วเนี่ยยายครั้งนั้นเนี่ยขเขาบอกยายเข้าทำทุสานคือภรรยาของนายทานเนี่ย เห <S an> ็นสามีพานางค า, าวีมาก็ลิษยาคิดในใจว่าเออสามีของเราไปได้นางเนี่ทิ้งไว้นในป่าจนท้องแก่แบบ น, นี้คงจะพากันมาพ่อด้วยก็คิดอย่างานี้ว่าตัวตอนึกว่าสามีที่ไปเอราตายคงจะไปทํนานางที่ท้องเขาเลยมไม้ไล่ตีขู่ตะวันในถามก็ห้ามตามแล้วก็เล่าตามแหเท่าตามแล้วก็คายตามตุกให้นางคาวีอยู่ด้วย แต่ภายหลางว็กลับวิสยาจูงมือ น, นางได้บอกขายตามบ้านบอกชาว บ, บ้านเห็นแล้วก็บอกว่าคนท้องแกใครก็จะซื้อว่าั้นทำอะไรนางทางทุษาก็พานางกลับบ้านพนางจารวีทรได้รับทุกควยนาง น, านนะ่ะก็ตำหืิว่าเวงคมตามเรามาใจเท่านี้ขมเหงเร เ, เราก็เราคุณค่าถ้าเราไม่คิดถึงลูกในท้องเราจะตายเดียวครครบกาหนดเหนนางก็คล้อ ในเวลาในกคืนทายในเดือนนั่นแหละพระนางเนี่ย น, นะก็ส่งน้ำพระโอรสสูงกอดด้วยความรักบอกว่าลูกรักเจ้าเกิดมาในเวลาแม่กำพา้าทรัพสมบัติอะไรก็ไม่มีแง่จึงไม่มีสิ่งใดจะรักหวนมีแต่แก้วมณีที่มีค่าหาไม่ได้ก็ผูกข้อมือรักหวนครั้งผูกแก้วมณีที่ครอบพระกรของว่าโอรสแล้วก็แต่ปวยพวรว่า ขอให้บรรดาทุกทั้งหลายจงสูญหาขอเจ้าจงมีแต่ความสุขนางอันทุษาทราบว่าพระนางประสูติโอรสแล้วก็โกรธชิงพระโอรสไปทิ้งเสียในที่ใกล้โรงงานพระนางก็โทรมณหนเทียรากาอย่างนีง้ต่อมาวันนึงนะวันรุ่งขึ้นเนยนะตอนเช้าพระโพ ธ, ธิสัตว์สอพระองค์มีเทศ พ, พระเจ้าคอยรักษาเสน า, ราเรเห็รอทับบนคอชา้า เสด็จเลียพระนครเนี่ยพระลักษมุนลุดได้เห็นกุมาร น, นอนอยู่นําไปถวายพระเจ้าวรวงแล้วพระเจ้าวรวงก็ทอดทะเรีเห็นแก้วมันดีกับสารที่ถกติดหัดกุมารก็นแน่พระทัยว่าเป็นโอรสของพระองค์แม่อาจจะอดกลั้นความโศกไว้ได้ตราบว่าลูกเ อ, อ๋ยเจ้ายัางเล็กพูดไม่ได้ถ้าเจ้าพูดได้พ่อจะถามว่าแม่ของเจ้าอยู่ที่ไห น, นเป็นภรรยา หรือทาสีของไทยลำบากทุกยากสุขการใดพ่อทราบแล้วจะได้ไปรับมาเลยแม่พระเจ้าวราวงศ์สุยมาพระเชิฐาทรงทราบเรื่องก็ทรงกันแสงสเสด็จกลับรณณพระนครพระนเจทานที่เลี้ยงนางรองแกพระราชนั้น64น า, ทางทําการมงคลอยู่เจ็ดวันโปรดให้สร้างพระลาจารกลูกเขียนอันิ่งใหญ่พัล า, าเรื่องราวแต่เดิมของพระเจ้าวราวงศ์และอุ้มพระนางทวีออกมาจนถึงพักพักจากไกลแล้วให้ตั้ง สาราลงทานบริจาคไว้ให้ราชบุตรคอยเฝ้าอดอูครั้งนั้น น, ะนางคาลรวีจึงถูกความโศกบีกเน่ยนะเพราะว่าลูกลูกหายไปเนะี่ยก็ผอมนางอันดุษาโกรธานางไปบอกขายก็ไม่มีผู้ใดซื้อนางโกรธทุบตีนางคารวียแล้วก็ไล่ออกเดือบ้านนางคาเวี ย, าาวยก็เที่ยวสัญจรไปจนถึงลงทานก็ดูลูกเขียนก็เหมือนเดิมเลยนะ ก็พบรูปเขียนเล่าเรื่องราวต่างต่างแบบนี้นางก็แล้วก็ในที่สุดจริงๆก็ก็ได้พบพาพระราชจิตรีเข้ไป็นราชพระาพันพันนางก็พอไปเมื่อกระจัดทุกพระองค์ทรงพบกันแล้วเนี่ยพระเจ้าวรวงก็กรบทูลเตือนพระเชษหาให้เสด็จกลับไปเยี่ยมพระมารดาพอจากมาตั้สามปีครับ พระเจ้าวงโุริา马 ก, ก็เห็นชอบด้วยก็เตรียมเตรียมเจตโรงเสนาให้พอพอครบถึงวันที่เจ็ดก็ยกกองทัพไปพระเจ้าวราวงทรงขาชาทานทั้งสเสวสฉัดไปข้างหน้าส่วนานางคารวีกับพระกุฏเทวีก็มีหมู่นางสนมเป็นบริวาลตามสเสด็จไปข้างหลังพอถึงผู้สานครก็ตั้งท่ายมันพระเจ้าวราวงทรงทรงพูด นำพระราชสารไปถวายพระราชาบิดาในพระราชสารนั้นบอกว่าท่านผู้ปกครองนครจงยกราชาสมบัติให้เราถ้าไม่ให้ก็จงพาเสนานิกรออกมาทำยุทธหทัตถีป็่ทาล ก, กับพ่อเลยฝ่ายพระราชาบิดาวงศาธิราชทราบความในราชสารนั้นแล้วก็สะดุ้งเ่ยกลัวมากรับสั่งให้หาไวทัตตะกุมานก็ก็ บอกวาพ่อไว้ทัตตาบัด น, นี้มีกษัตริย์องค์หนึ่งพาเอาพลนทิทรามามากมายถึงนครพวกเราส่งทูตมาว่าจะทํายทุทธาถีเขามีคนนิทรามากเหลือประมาณจะคิดอาการใดวนะนั้นไวทัตตาปุมาเราค่าแต่พระบิดาฆ่าพระบาทคิดอยู่ก่อนแล้วว่าจะขอคนนี้ไปรบกับนครอีกบัดนี้ดีทีเดียวมีกษัตริย์องค์หนึ่งมาถึ ง, ง, งรพระนครแล้วพระบิดาจะได้วันพระไทายเลยฆ่าพระบาทจัดอาสาออกไปลบก็ ก็นี้เข้าเข้าเข้าไปลบเข้าขึ้นช้านคุมคนไี่กายออกได้อนและเราเข้าไปลบพระเจ้าวรวงต้องเห็นไวทัตตะกุมานและตัดเราเจ้าไว้ทัะเอ๋ยเจ้าทำแต่ความลําบากเจ้าจะลบกับเราชีวิตของเจ้าจะไม่มีเดือนแล้วถ้าเจ้าขอโทษจะไว้จริงไว้ทัตตะกุมารก็บอกว่าเราไม่รู้ว่าท่านทั้งสองยังมีชีวิตถ้าท่านไปไหนมาจรไม่คของราชสมบัติของบระฤาษีและด่าพระโพธิสัต์ ตัวท่านกับพลิกาจะไปมีชีวิตอยู่แล้วจะไม่ให้ท่านกลับไปในบ้านมืองต่อมาก็ก็สู่รถกันพระเจ้าวรวงทรงใสช้าเข้ารถกักไวยทัศนะกุมารแล้วก็ผลในหนักก็ทำด้วยทหารศีกไวยทัศน์ปุมาลแพ้ที่สุดในถูกตัดศีรษะครับแล้วก็ตายพระเจ้าวงสาธิราทราบแล้วก็สะดุ้ง<ม>ตกมาไทย เมื่อจะทรงทํำลำพึงถึงพระราชโอรสก็แต่บอกเราเห็นแต่เจ้าไว้ถ้าแต่ปุ๋มานแบบนี้ตายานี่ทำยังไงถ้าเจ้าวงศาสุริยามาศเก่าเจ้าวรวงบุตรของเราทั้งสองนั่งอยู่เราคงจะสู้กับเขาได้ในทานองพระเจ้าวงวรวงทรงได้ชัยชนะแล้วเนี่ยก็นไหนสือก็ท ร, รงคอยท่านพระเชษถาอยู่ที่ค่าทั้งแล้วพระเจ้าวรวงสุริยามาศพร้อมด้วย แกตัวลงเกษมาพระเสด็จมาถึงนี่เนะพระตั้งท่าข้างหน้าธระนครแล้วก็ในส่วนิงก็เขาเห็นพระเจ้าวรวงเนี่ยทราบว่าเคาสขาเสด็จมาก็เสด็จออกไปรับตัวลกว่าได้รับชัยชนะแล้วก็สามารถฆ่าไวทัาตตกรกุ ม, มาตัดทิศานได้พระเจ้าวรวงก็ได้สุริยมาร ก, ก็ฟังแล้วก็มีพระไทสมะนะสองกษัตริย์ก็ปรึกษากันอย่าทําอันตรายแก่นคร น, นี่เลยวะก็ให้ส่งสารเข้ไป พระราชมารดาของเรามาเราได้รับพระราชมารดาแล้วจะได้กลับทั้งศึกษากันแล้วก็บอกว่าไม่ลบหลูพ่อแล้วจะเอาแม่ไว้แม่กลับมาได้แม่แล้วเราจะกลับแล้วครั้งนั้นพระเจ้าวงศาทิราชทับอยู่บนศีวรษะโปรดให้อมาดถึงทองถาวเสด็จนําหน้าแล้วทงส่ ง, สงอาหมากคนหนึ่งไปทูลกับกษัตริย์ที่ยกทัพมาว่ากษัตริย์ของข้าพระบาทเสด็จมา จะกวายราชสมบัติแก่พระองค์คือยอมแพ้เนี่ยขอประทานราชเป็นขอพระราชทานชีวิตอามาตนั้นก็เข้าไปเป้าพระเจ้าวงสุริยมาตผู้เชี่ยวาญกาบทูลตามรับสั่งทุกประกพระเจ้าวงสุริยมาตจัดว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นใหญ่ท่านผู้สั้งท้าวหรือเบื้องหน้าพระนครเป็นใหญ่อามานก็ไปกาบทูลพระเจ้าวงศาล พระเจ้าวงคาธิตราชเสด็จเป็นยังค่ายพระนคร อ, อิจฉาความเหน็ดเหนื่อยจเนเงื่อยไหลเขาเสียใจร้องไห้คิดถึงลูกสองคนว่าเออใครเล่าจะมาดูบินล้วได้นี่แหละเพราะลูกของเราไม่อยู่กราส่าองค์หนึ่งจึงมาดูบินล้วก็คิดอย่างนี้นะคร<ม>ั้งนั้นน่ยพระเจ้าวงค์สุริยมารเห็นพระราชธิดานเหนื่อยจึงโปรดให้อมัดไปทูลกับพระราชธิดาว่า เราไม่ได้ปรารถนาสมบัติแต่เราปรารถนาจะได้นางสุริยาราชเดียววีเท่านะขอจงส่งนางมาเราจะกลับไปพระนครอ ม, มาน ก, ก็ไปคูนพระเจ้าองศาธิราชเข้าพระเจ้าเข e ้าพระนครแล้วรับสั่นให้พระราชเดียววีมาเฝ้าตรัสบอกว่าสวามด้วยความยิดรธวัดรู้ก่อนหญิงร้ายพวกปัจจาวิตมาถึงพระนครของเราเนี่ยก็โดยอุบายของเจ้าปเป็นแน่แท้นะ ถ้าไปคิดว่าไปคิดว่าภรรยาตัวเองหรือพระเอศีในนอกใจคงจะไปให้ให้เปิดเผยให้ข้าสึกบุกเข้ามาเราก็จะส่งเจ้าไปนางตัวแยราชเทวีก็ร้องไห้กราบถูนว่าข้าแต่สมมติทเช่ข้าพระบาทอยู่แต่คนเดียวจำเนมแต่พระราชบุตรสิ้นประชนมาจนตราเท้าทุกวันนี้ข้าพระบาทก็ไม่ได้เสหาผู้ใด แต่ถ้าพระองค์ไม่ทรงพระคุญาชุบเลี้ยงแล้วก็จะฆ่าจงฆ่าพราบาศเสียอย่าได้ส่งฆ่าพระบาศไปเลยพระเจาา้าองค์สาวพิราชก็โกรธตรัสัามให้อมาร์ส่งพระราชาเทวีไปพระราชเทวีรรทวก็โศกบัดนี้เราไปแล้วถ้าลูกทั้งสองของเรามาภายหลังก็จะไม่พบกันลูกทั้งสองบอกไว้ว่าสามปีในโยงก็จะไม่เห็นที่ไหนจะรู้ว่ามารดาไปประเทศอื่นมาคิดอย่างนี้เลยพวกอมาร์สพาพระราชเทวีไปถึงข้า กษัทั้งสองเนี่ยได้เห็นพระราชมารดามาแต่กครก็ลุกขึ้นแต่ด้อยลแล้วก็กราบพระบาทแล้วก็ร้องไห้าการแสงในในใ น, ในสูตรนี่ได้หล่สลบทะวันขนาดนั้นเนยลยนะร้องไห้ันจนสลบเอสลบดีถ้าหากดูในเวสต์ตอนชาติตอนที่กษัตริย์มาพบกันก็สลบเือกันลักษณะนัขนาดนั้นที่พบของเท้าส ก, ก, ากัก็ร้อน ก็ตรวจดูนี่เป็นยังไงก็ดำลีว่าจะช่วยคนทั้งหมดให้ปืนก็บรรดาในผลศอบก็ปืนพอลุกขึ้นมาพระราชาเทวีดูแลพระราชาบุตรทั้งสองแล้วก็ว่าแม่ได้เห็นหน้าเจ้าแล้วมีใจช่ำชื่อแม่ได้รับความทุกข์ยากลำบากนะกินแต่น้ากินแต่น้ำตาทุกวนตั้งแต่เวลาที่พระบิจามีพระราชประสงค์แจ้ง่าเจ้า ไม่สามารถที่จะนอนได้เลยได้ก็ ค, คือว่าก็หมดลงทั้งนั้นเนี่าราชพระราษฎรทั้งสองก็ไม่อาจจะอดกลั้นก็ร้องไห้แล้วก็เล่าเรื่องความเป็นมาอะไรต่างๆเลยเนี่ยว่าว่าเป็นนอนอยู่บนสลาถูกถูกคนอุ้มพระเจ้าพี่ไปเสียก็เล่าไปตามลำดับในเรื่องราวต่ง า, างๆให้ให้แม่ฟัง ทีนี้พระราชาโอรสทั p grasp, p yeah. ้งสองประกาศทูลต่อไปเข้าเข้าไปต้องพ่อราชบิดาค่าแต่พระราชบิดาข่าพระบาททั้งสองไม่ได้เป็นโอรสของพระองค์พระองค์จะมาสมกอดข่าพระบาตทั้งสองซึ่งไม่ใช่โอรสของพระองค์ต้องการอะไรข้าพระบาทอยู่ประเทศอื่นไม่ใช่โอรสของพระองค์ที่พากันมาก็เพราะปราถนาจะเห็นพระพักตร์ของพระมารดาพระบิดาของข้าพระบาตทั้งสองไม่มีข้าพระบาตทั้งสองเป็นบุตรหญิงไม่รูน พระองค์ทรงเชื่อฟังแต่ถ่อยคําของนางกา ว, วัยยะทรงพิโรุธค่าพระบาททั้งสองอย่างนั้นหลือพระองค์ไม่ได้ทรงไต่ถามตอนริงค่าพระบาททั้งสองเป็นกิงตามคาของนางกาวยาหรือไม่พระองค์ตัดอะไรค่าพระบาททั้งสองก็ยังเป็นเด็กเพราะเพียงพอแล้วถึงพระมารดาของค่าพระบาทก็ได้เฝ้าการทุนแท้พระบาททูนแล้วทุนเล่าฝ่าวาไปตามลำดัอย่างนี้ พระเจ้าวงศาธิราชเมื่อจะทรงให้พระราชนบททั้งสองอดโทษให้จึงแตะว่าลูกลักพ่อผิดจริงๆเลยทั้งนี้เพราเชื่อฟังคาคของนางชาวัยิ้งสั่งเพชฌฆาตให้ทหารลูกทั้งสองผู้ไม่มีความผิดดูก่อนลูกรักจงลงโทษพ่อตามความรักพระราชนบรทั้งสองได้ฟังพระราชาิดาพูดฉชนนั้นแล้วก็ก็บรรเทาความโกรธไม่โกรธ ถ้าแต่พระบาทจะไปครองราชสมบัติในประเทศนั้นนุก็ให้ลำดับนั้นพระเจ้าวงศาที่ราชก็ทรงพาพระราชบุตรทั้งสองเข้าไปยังพระนครฝ่ายนางกาวไวราชเทวีลำพึงในใจบอกว่าพระราชบุตรทั้งสองเป็นข้าเสร็จของเราทัานได้ครองราชสมบัติแล้วคงจะค่าเราอย่ากลืนกินยาพิษตายจะดีกว่านางลำพึงอย่างนี้แล้วก็กินยาพิษให้กระตับ ที่นี้ว่าพระเจ้าองสาธิราชทราบอย่างนั้นแล้วก็ให้เอาศพนาไปทิ้งไปทิ้งที่เวยเทวดีที่ส่วมแล้วให้ตกแต่งพระนครวัดงาโพยามรักกันกันกันต่อเป็นมาที่ที่ส่วมคนรำบากเลยเห็นความไม่เชื่องอริ นี่เดยมาก็เป็นหนึ่งจันทราวัตก็เป็นหนึ่งพระประโยชน์ย่อยทั้งหลายมีอัยกีอายตาเป็นต้นถวายพระนามพระราชนาจาราชจ้โอรสพระเจ้าองสาทิราชอพิเศษพระเจ้าวรวงผู้อนุชาให้ครองราชสมบัติพระเจ้าวงศ์ผู้พิศัสด์อยู่ในพระราชล้ำบัติก็จะทำการถอดแทนคุณของพระเจ้าสุริยะสุริยามาพระเครดฐาแล้วก็จัดการส่งเสด็จกับกรุคร จนชลาภาพเกิดสังเวกจึงทรงอภิเษกเจ้าดาลาวงกุ ม, มารในของลาดพระองค์ก็ออกจากพระนครบวชเป็นบรรชิตจำเริญสมณธรรมจนพระชนได้สองพันปีก็สวรรคตไปบังเกิดในดุสิตสถิตอยู่ในภพดุสิตเป็นเวลานานทีนี้พอจุดติคือตายจากมนุษย์ มาสร้างบารมีสืบต่อไปจนได้เป็นพระพุทธเจ้านามอโภโหติอันนี้คือพระพุทธเจ้าของเราพระภูกีพาดเจ้าท้นทรงนามอดีตนิทานมาเล่าก็ทรงประกาศอริยสัจสี่แล้วก็ประชุมชาดบอกว่าโลพันพัาเศรษฐีในครั้งนั้นต่อมาก็ได้เป็นพระเทวทัตนในบัดนี้นามกาวไวในครั้งนั้น สารจะตกนรกมาแย่ๆต่อมาก็มาเกิดเป็นนางนานากินจามานะวิกายักษ์ผู้เป็นมารมาเป็นสุกรมกุฏเทวีมาเป็นนางสุชาดาพระเจ้าวงสุริยามาสมาเป็นพระเมธตยานุนพระวริษัถเห็นไหมฉะนั้นพระเจ้าวงสุริยามาดยนเป็นพี่ชายของพระวริษัถเนี่ยก็คือ พระเมธายาหรือพระเสียยาเมธใส่ที่มตนตักอยู่ั้งหน้าพระเจ้าวงศ์สาธิราชก็คือมาเป็นต่อมาก็มาเป็นพระเจ้าสุรโรนะพระนางตริยาเทวีก็เป็นนางมหมาสิริมาหาหนายาดาราวงศ์กุมารก็ต่อมาก็มาเป็นพระราหนางทาราวีก็มาเป็นนางยะโสธราหรือพิมพาพวกนี้บรรลุข้าติพานด้วยแล้ ว, ลวพระเจ้าวรวงศ์ในครั้งนั้นก็มาเป็นพระเจ้าถาวร ตัวพรนะพ้าะชาดกในเรื่องนี้เรื่องเดียวเห็นเลยว่าการบาเพ็ญบารมีเนี่ยในการเป็นพระพุทธเจ้านั้นยากแสนยากต้องอดทนต่อความทุกข์ต่อความยากต่อความลำบากนานหน้ตการต้องตั้งใจจริงจริงจริงจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคพยานอันต ร, รายต่างๆไปได้ฉะนั้นการที่จะได้ฐานะ ในการที่จะเป็นพระพุทธเจา้าหรือเป็นพระโพธิสัตว์ไม่ไม่ใช่ไงงนะั้นทีนี้พอเล่าถึงในเรื่องของว่าเสยยเมตัยก็ต้องมาเล่าในเรื่องของปัจจุบันดูสักเล็กนนะ้ะยว่าในปัจจุบันในชาติเนี่ยคือสมัยที่พระพุทธเจา้าของเราเนี่ยพระเมตร ต, ตรยาโพธิสัตว์ได้ามาเป็นสาวกรูปหนึ่งของพระองค์มีนามว่าอคิาริกษุขอันนี้เล่าไว้ในประถม โอดิการาคือในศาสนาของผู้ได้เจ้าของเราเนี่ยพเมธเจยะโอดิสัตว์บังเกิดเป็นราชโอรสของพระเจ้าชาติตูกับพนางการจนะเทวีอัคราเมสิถ้าเป็นลูกของพระเจ้าชาติตนูนะที่เกิดจากนางอัครานางนางการจนะเทวีมีพัะนามว่าอชิตากรุมาญ น, นี่เกิดสมัย อชิตาภุมานจเจริญไวในสมัยที่พระราชดิดาทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนาแล้วอชิตาภุมานได้ทอดพระเนตเห็นรูปอันเป็นสิริของพระพุทธเจ้าทั้งได้ทรงสดับพระธรรมาเทศนาแล้วก็มีพระราชศรัทธาเลื่อมใสสมะนะในผู้ทานุภาพยิ่งนะจึงทรงอนุญาตขออนุญาตพระราชดิดาเนะี่ยขอบรรยาชาวผสมบทในพุทธศาสนากับบริวารพันเนี่ย ต่อมาก็เล่าเรียนพุทธคดเป็นันมากทั้งได้บอกสอนทำแก่เพื่อนสาทำนิสิตด้วยทีนี้สมัยเมื่อพระบรมศาตาสดาเสด็จกรุงตเปรลพักครั้งที่สองประทับอยู่ที่นิโคทาราลนยสมัยนั้นนางประชาบดีโคจะมีพะมาตุจฉาเจ้าแปลว่าอะไรมาตุจฉาพระมาตุจฉาเป็นน้องของแม่ ทรงตารกจะถวายผ้าทีวร อ, อันหาข่าวที่ได้แก่ท่าสาวสถานทรงกระทำทุกอย่างด้วยพระองค์เองเริ่มตั้งแต่เพา ะ, มะเมล็ดฝ้าคนนี้ศรัทธาเลยเวลาเขาจะทําอะไรถวายถ้าอย่างเราเราเนี่ย อ, อ, อยากจะถวายแนละ้วก็ไปซื้อใช้ความเพียง น, นิดเดียวใช่ไหมอันนี้บอก เ, ออเพา ะ, มะเมล็ดเมล็ดฝ้า แล้วก็เอามาเล็กป้ายลงไว้ในอ่านของคำเจ็ดบาทอย่างนั้นด้วยนะบรรจุแผ่นดินบนผงทองคําของหอมที่เกลือด้วยมาทุรุด้วดด้วยน้นํานมโคที่เกลือด้วยผงทองด้วยเมื่อต้นป้ายออกดอกสีเหลืองเหมือ น, นดอกตามีการแล้วก็นนั้นก็ทรงเจ็ดด้วยพระหัตถ์เองใส่ลงในข้าอบทอง แล้วก็เลือกป้าหยีป้ายตันป้ายเองหมดแหละเช่นได้นั้นละเอียดอ่อนมีสีเหมือนทองเลยแล้วก็มอบให้ช่างหูกที่มีฝีมือนำไปทอเป็นผ้าที่หูกพระนางให้คนตกแต่งอย่างงดงานในพระราชวังพร ะ, ะเสด็จมาทอดเนตรการทอผ้านั้นทุกวันจนกระทะั่งเร็จผ้ามาอสองผืนกว้างเจ็ดศอกสิบสี่ กว้างเจ็ดซอบยาว14สี่อกเท่ากันพระนางก็พับผ้าทั้งสองใส่ในเข้าอบยกเข้าอบขึ้นเหนือพระเศียรเสด็จแวดล้อมในนนางสากยาราชกัญญาจํานวนมากก็ถือสิ่งของมีทูกเคียนดอกไม้ของหอมเป็นต้นกับผ้าอี ก, อกแสนถือนางทุกคนมีผ้าอะไรถืออะคือราคาคือละแสนเลยฮะนนัน จะได้ตกเป็นผ้าไหมราคาอย่างนี้อย่างนีนเออแต่ก่นก็ไม่รู้ว่ามันจะมันจะถึงจริงๆพ อ, อไปเห็นเนี่ยผ้าไหมไทยเนี่ยเขาก็ทําเป็นกระเป๋าไปเย็บเป็นกระเป๋าเขาบอกปอะมาราคาเริ่มต้นอยู่ที่เก้าหมื่นบาทเนี่ยในเรื่อไทยแล้วของไทยล้วทุกวันเนี่ย ในกระเป๋านี่ยราคาเริ่มต้นใบละบบลเก้าหมื่นบาทก็แปลกทำไมแพงขนาดนะั้นเห็นไหมฉะนั้นราคาหนึ่งแสบเนี่ยถือว่าไม่แพงนะนอันนี้ก็บรรจูนในตู้อบเงินพันใบไปที่โอโถดานานครังนั้นเนี่ย พระบรมศาสดาประทับอยู่บนพุทอาสดาแวดล้อมไปได้วยภิกษุสงฆ์งามกะหนุพระจันวันรกิดอยเด่นอยู่ในกางนะภาขาดแวดล้อมไปได้วยดวงดาวเนาะพระนาประชาชนและบริวารข้าพระเรยสเห็นฟังลามของพระรมศ า, าสาดาแล้วก็ปีติสงวนทราบทราบไปทั่วจัลปชนไทยนี่นะถวายคิว่าปเป็นจันทรก็ประดิแล้วก็เปิดเขาอกหยิบผ้าสองฝืน 5, น, น้องถวายพระศาสดาทูลบอกว่า ขอความกรุณาให้พระองค์ทรงรับข้าถือี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พระนางตลอดกาละนะพราะบรมศาสดาจะจัดว่าดูก่อนตัวตนนี้ขอจงถวายสมคือจะได้มีพราหมณ์มีสมยิ่งกว่าถวายอยุปถัม์คือเจ้าจงพระองค์ทั้งยังได้ชื่อว่าได้บูชาพระองค์และพิจิตรสงฆ์ทั้งปวงด้วยท่านางพระจาบดีก็จัดทูลในรัชนาให้ผู้บรมศาสดารับถึงสามครั้ง แต่พระบรมศาสดาก็ไม่ทรงรับตรัสขอให้ถวายสงทุกครั้งหากจะถามว่าเคือเหตุไรเนี่ยพระบรมศาสดาจึงไม่ได้ทรงรับแต่กลับให้ถวายสงคำต่อก็คือว่าพระพุทธองค์ทรงให้เจ้าลูกพระมาณดาด้วยประมาณดาเนี่ยปารบกถาคตพร้อมด้วยเจตนาในสามการคือเจตนาก่อนให้กําลังให้ และการที่ให้แล้วฉันใดก็จงปรารถนาส่งให้พร้อมด้วยเจตนาทั้งสามการเช่นเดียวกันฉะนั้นก็คือประมวลเป็นเจตนาหกบริบูรณ์ไนนยก็คือบอกว่ า, วาเมื่อนางประชาชนจะมีเจตนาก่อนให้ก็กระทาตั้งแต่เริ่มปลูกเองเนีเป็นต้นเนี่ยในการนาให้ใช่ไหมแล้วหลังจากให้แล้วนี่คือตาละพุธเจ้าแล้วอันนี้สามครั้งแล้ว พระเจ้าต้องการจะดูข้อนางประชากดีคตรมีต้องการให้อายัญในสงมากกว่า น, นั้นอีกก็บอกว่าให้ถวายสงฆ์ก็ชื่อว่าถวายพระพุทธเจ้าด้วยคือถวายสงฆ์ที่มีพุทธเจ้าเป็นประมุขนี่ยแล้วจะได้เริ่มเจตนาก่อนให้กำลังให้หลังให้ก็เลยได้เป็นหกนะพระพุทธเจ้าได้สามเจตนาลนะแล้วก็สงฆ์สามเจตนารวมเป็นหกเจตนาเข้าใจะว่ารักษณะอย่างนี้แหะพระพุทธเจ้าต้องการจะดนขอ้อ ถ้าคำเจตน า, าครบประมวลเจตน า, าครบบริบูรณ์ทั้ง6กอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะมีพระานิสง์มากเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขตลอดกาลนานจึงตัดข้ามทั้งสามนะให้สวายสงฆ์เพื่อคนทั้งหลายได้เกิดที่เกิดมาภายหลังได้เกิดความสลบยิ่งในสง์อีกไปกนันพระพุทธเจ้าทรงดำริว่าพระองค์จะทรงมีพระชนชีพอยู่ในโลกนี้ไม่นานาาก็จะกรลิมิธานด้นี่เอง และเมื่อพระ อ, องค์ปฎินิพาน์แล้วสาวกทั้งหลายก็จักรลำบากด้วยปัจจัยสี่เป็นอันมนากหากเป็นเช่นนั้นศาสนาของพระ อ, องค์ก็จะไม่อาจดำรงอยู่ได้ห้าพันคืีแต่เมื่อพระ อ, องค์ตรัสให้ถวายสงเสียแต่แบบนี้แม่นาคต ก, การในราชกาลก็จะปรากฏแก่สงทั้งปวงด้วยเหตุดังกล่าวเนี่ยพระ อ, องค์จึง 5, ห้ามถึงสามพันนั้นอีกประการหนึ่งแต่พระนางนี้อาจจะทรงกําหนดความดริในวาฏฏิของพระศ า, าสดาได้ ก็คงมนเนะเสียใจว่าเพระาะาสดาไนี่แล้วก็เสด็จเข้าไปหาท่านผานนถวายอัญชลีแล้วก็มีวอนว่าขอร้องให้ท่า น, นนเนี่ยไป้กราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านนางทรงมีความผิดอันใดพระบรมครูจึงไม่ได้ทรงรับท้าของท่านนางท่านผ้า น, นนก็รับธ ร, รละทันนาแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า มบเมื่อไปเฝ้าแล้วระกาศทูลให้ให้ทราบเรื่องพ ร, ร, ร, ระนางพยาบดีพระนางนี้เป็นพระมาศึกฉาได้พิบาลบำรุงเลี้ยงดูพระอษมารทั้งแต่ประสู์เจ็ดวันเมื่อพระพุทธมารดาสวนสคตเข้าไปภารนาคุณให้พทธจเจ้าฟังเนี่ยคือไม่อ้างเหตุผลแต่ไปเฝ้าพระเจ้าก็อ้างหตก ทรถวายขีขาละละให้เสวยคือให้น้ำนมจนเติบโตมีพระคุณเหลือคณะทั้งพระนางและตั้งอยู่ในใจตคณคมด้วยเป็นพระโสดาบันศีลาจารวัตรสมดงามศัตรูอริยสัจสีสมบูรณ์ด้วยศรัทธาภาษาท่าในพระพุทธองค so, ์โดยไม่หวั่นไหวปราศจากความตั้งข้าสงสัยในพระรัตนตรัยควรที่จะทรงกระนัโดยแท้พระพรานาปิทาเลตถ้านอนเนี่ยเป็นคนมีสติปัญญานี่ เวลาไปพูดถ้าอย่างพูดให้เราฟังนียอมเลยนะอย่บงนี้ใช่ไหมเราอุกคบเหตุผลชัดเลยเย่ยทุกวันเวลาไปพูดว่าเออควรไม่เกี่ยวพุดศาสนาศาสนาประจชาติเขาบอกว่าให้ให้ให้เหตุผลไม่ชับเขาว่าให้เหตผลไม่ชัดต้องให้ฟังตอนที้เห็นว่าเราเป็นตัวดนกลา เพราะพระธศ า, าสดาได้สดับคําแล้วก็บอกรู้ก่อนอาน น, น์อันว่าบุคคลเช่นพระนางประชาบรีนี้สมควรจะได้ทําอันชนันีสามมิตรการถวายสุดุปปัจจัยไทยธรรมเนี่นะแกบุคคลผู้เป็นอาจารย์คือตถาคตโดยการตอบแทนคุณนี้ไม่ใช่ทําได้ง่ายตถาคตกล่าวถึงปาฏิภุคิกริฏฐานคือทานที่จะหวาโดยเฉพาะเจอดจงผู้รับโดยริสดานและกล่าวถึงเหตุแห่งทานที่มีวิธีอื่นมีอยู่มาก ยากที่บุคคลอื่นจะรู้ได้ทัวท่วทัวนในลักษณะมุธาเหล่านั้นและแตรัตทัคินาวิพังระสุก็จำแนกเลยนะนี้จําแนกประเภทปาฏิภุริกรามสิบสี่อย่างและสังฆทานเจดอย่างโดยชิสฎานบอกว่าปาติภุริกรามนี่ที่แบบถวายแบบเจาะจงเรียนยหนึ่งถวายอุทิศแด่พระพุทธเจ้าสองถวายแก่พระปเจรพุทธเจ้าสามถวายแด่พาา ร, ระอรหันตสาวก สี่ถวายแก่ผู้บ да วมเวียนเพียนเพื่อทําให้แก้งซึ่งอารหัตผลห้าถวายแก่ท yani ่านนาคามีหกถวายแก่ท่านผู même, ้บวมเวียนเพียนเพื่อทําให้แจ้งซึ่งนาคามีผลเจดถวายแก่ท่านสกกาคาารมีแปดถวายแก่ท่านผู้บวงเวียนเพียนเพื่อทําให้แก้งซึ่งสกกาคาคารมีผลเก้าถวายทานแก่พระโสดาบันสิบถวายทานแก่ผู้เวียนเพียนเพื่อทำให้แก้งซึ่งโสดาบันมีผลสิบเอ็ดถวายทานแก่ดาบด นักบวชนอกศาสนาที่ได้โลคิยาชันอภิญญาสมาบัติสิบสองถวายทานแก่คฤหัสถุผู้ปุถุชนผู้มีศีลเลี้ยงชีพโดยชอบทำสิบสาบริจาคทานแก่คฤหัสถุปุถุศีลสิบสี่ให้ทานแก่สัตว์เบลชานทั้งสิบสี่อย่างนี้เรียกว่าปาติบุคคลิกธรรก็แปลว่าให้แก่สัตว์เบลชานให้แก่ปุถุชนผู้ทุศีลให้แกปุถุชนผู้มีศีลให้แก่นักบวชนอกศาสนาให้แก่บุคคลผู้ทำความเพียงเพื่อให้แจ้งโดราผลิตเป็นต้น ไปจนถึงให้กับพระพุทธเจ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าปาฏิปุคคิสทานทานที่ให้แก่จาะจงเพราะพระธรรศาสดาตรัสถึงผลที่เกิดจากการให้ทานโดยเฉพาะเจาะจงสุดๆอย่างนี้ไว้ว่าให้ทานแก่สัตว์ในร่ฉามมีอ น, นิสงร้อยชาติให้ทานแก่ปุถุชนผู้ทุศีลมีอั น, นสงส์พัชาติให้ทานแก่ปุถุชนที่มีศีลมีอ น, นิสงส์แสนชาติ ให้ทามแต่นักบวชภายนอกพระศาสนาที่ได้โลคยาปัญยาเนี่ยอริสง์แสนโกดชาติให้ทามแต่ผู้ประเปนเพียอเพื่อทําให้แก้นซึ่งเป็นพระโสดาบันมีอริสง์มากมายเกินกว่าจะนับได้ว่าได้อ น, นิสง์เท่านั้นเท่านี้ชาติเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นต้องการถึงอริสง์ของทางนที่ให้แก่พระโสดาบันเป็นต้นไปนจนถึงพระพุทธเจา้าอ น, นิสงครับ ขณะไถ่จะบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติเบียเจรยนะาว่าเราปราขนาจะบรรลุพระสวสดาบานเป็นต้นอน่สงอยังนักเนเลยนะท่านอารยรอันนี้ก็เรียกปาฏิบุตวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้ววันต่อไปก็พูดในเรื่องของคนรกกนถ้าเดี๋ยวต่อไปก็จะเรยที่สุด